รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกนะข้อความในพระพุทธคุณต่อเลยนะ พูดถึงพระพุทธกุณบทว่าอารหังะนะทรงเป็นใกล้ต่อท่านผู้รู้ทั้งหลายหมายถึงผู้ที่อบรมอธิศีนอธิจิตและก็อาธิปัญญาเนี่ยนะถ้าหากว่าอบรมศิกขาทั้งหลายเหล่านี้อบรมบริบูรณ์ได้ขนาดไหนท่านก็ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเนี่ยน ะ, น ะ, นะถ้าอบรมจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ยิ่งใกล้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ นะเพราะว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะมี อ, อย่างตัวอย่างว่ามีพระภิสุกลุมหนึ่งเนี่ยนะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องคุยกันเลยเนี่ยนะเพราะาพระพุทธเจ้านั่งเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์พิสุเหล่านั้นก็มานั่งเข้าพระสมาบัติร่วมกันพอออกจากสมาบัติต่างคนต่างไปคุยแค่เนี้เนี่ยนะนี่คือวิธีสนทนากันอีกอย่างหนึ่งกัน ไม่ต้องใช้วาจาเพราะต่างคนต่างมานั่งเข้าเหมือนกันแล้วก็ไปนะมีพยโสชาเป็นต้นเนี่ยนะมาถึงก็ภิกษุเข้ามาเฝ้าพระ อ, องค์ก็เข้าพระสมาบัติอยู่แล้วภิกษุเหล่านี้อารู้พระ อ, องค์เข้าพระสมาบัติอยู่นี่ก็เข้าเหมือนกันเข้าระดับฌานเหมือนกันเท่ากันอะไรกันเหมือนกันป๊อปเสร็จแล้วพอออกก็ต่างคนต่างไปไไงอันนี้ก็ก็ไม่รู้จะไม่ต้องใช้วาจาแล้วก็รู้เหมือนกันไม่ไม่ได้คุยก็สิ่งที่รู้เหมือนกันอ่ะ ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันเข้าพระสมาบัติเหมือนกันนะยก็จุดประสงค์ของการพูดคุยทั้งหมดก็เพื่อให้เข้าไปเป็นแบบนั้นอ่ะเพื่อให้รู้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมาเข้าด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องจะคุยอะไรกันอีกแล้วเสร็จแล้วพอออกแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปท่านเหล่านั้นก็เหาะกลับไปเลยเจนน่ะไม่ต้องเล่าแล้วลแล้วอีก <laughs> อย่างหนึ่งพ่านนก็บอกว่าเออท่านนก็ข อ, อทําไมไม่สนทนาอา่ะ ก, ก็ก็เธอไม่รู้อะไรมัง พระพ่านน้นไม่ได้เข้าด้วยนี่นนอนอแต่ก็นั่งอยู่ด้วยกันเน่ยนะพราะพระองค์นี้ใกล้ชิดต่อผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่กล่าวไปข้อ น, นี้สมดังพระบาลีที่ตรัสไว้ดังนี้ว่าดุกราพิสูทธทั้งหลายแม้หากว่าพิสูจนจะพึงอยู่ห่างเราถึงร้อยโยต์เนี่ยนะพันกว่ากิโลเนี่ยนะแต่พิสูุนั้นเป็นผู้ไม่มากไปด้วยอภิชาคือไม่มีโลภะไม่มีราคะกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตไม่พยาบาทมีความดําริทางใจไม่เสียมีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้วมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมัน่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์ภิกูุนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เราและเราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พิกูุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเห็นไรดูก่อนพิสูุทั้งหลายเพราะพิสูุนั้นย่อมเห็นธรรมผู้เห็นธรรมชื่อว่าย่อมเห็นเรานนะ ผู้ใดเห็นโลกุตระธรรมเนี่ยนะผู้นั้นก็เหมือนกับเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ตรัสรู้โลกุตระธรรมถ้าเห็นเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปปัจจัยเนี่ยนะก็ไม่ชื่อว่าเห็นอะไรถามว่าทําไมไม่เห็นก็รูปปัจจัยเนี่ยนะตอนที่ยังไม่บวชตอนที่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็มีรูปปัจจัยอยู่แล้วคนก็เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าบวชมาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเห็นแค่รูปปัจจัยอีกก็เห็นเท่าเดิมเหมนะ ไม่ได้เห็นอะไรพิเศษเพิ่มเติมเลยแต่ในที่นี้ต้องเห็นระดับเห็นโลกุตระธรรมนั่นแหละจึงจะเชื่อว่าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยู่บุคคลเห็นป่านั้นแม้อยู่ห่างพระศาสดาถึงร้อยโยต์บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ควรกล่าวว่าเที่ยวอยู่ไกลพระศาสดาด้วยเหตุเพียงเท่านั้นแม้พระศาสดาก็ไม่ควรกล่าวว่าทรงอยู่ไกลบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่า คุณธรรมนี่อยู่ใกล้ๆกันเช่นโพธิปคัคจยธรรมก็มีเหมือนกันนะนะแต่ว่าคุณภาพอาจจะแตกต่างกันนะนะเช่นสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็รอบรู้มากกว่าของภาษาวกทั่วๆไปแต่ว่าในความเป็นสติปัฏฐานแล้วไม่ต่างกันโดยเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนเหล่าใดมีอธิมุตประณีตดีปฏิบัติชอบ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ใกล้คื อ, อทรงอยู่ชิดนรชนเหล่านั้นแม้ด้วยเหตุนั้นพระผู้ทรงชนะมารทั้งห้าจึงชื่อว่าผ่าทหารเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ชนะมารหมดเลยเหมือนนเขาบอกว่าสัตว์ที่มีอธิมุตรประณีตหรือมีอัธยาสัยประณีตเนี่ยนะหมายถึงผู้ที่มีกรรมสกตามีวิปัสนาญาณผู้ที่มีมรรคผลผู้ที่มีเนคข ม, มวิตกมากๆเนี่ยนะ ผู้มีอัธยาศัยเนคขมมะมีอัธยาศัยเป็นอัพยาปาทามีอัธยาศัยเป็นอโลกสัญญาพวกเหล่านี้ก็จะอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งเป็นผู้หาความวันไหวไม่ได้สงบประงับเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้ว ผู้ไม่กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดี น, นนะในที่ใกล้แทน้นคนเหล่านี้ก็อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆทีนี้พูดอีกย้อนมาว่าบุคคลใดเป็นบัณฑิตะนะคำว่าบัณฑิตในที่นี้หมายถึงพหูสูตรนะเคยได้ยินนะะหูสูตรมีกี่อย่าง พหูสูตนี้มีกี่อย่างพระหูสูตรนี่มีสองอย่างเนะี่พหูสูตรทางปริยัติกับพระหูสูตรทางปฏิเวทพระหูสูตรมีสองอย่างอ่าที่พระผู้มีพระภาคยกย่องมากคือพระหูสูตรทางปฏิเวทคือพระหูสูตรโดยการตรัสรู้เนี่ยนะก็ชื่อว่าพระหูสูต ร, ราะผะู้ที่ฟังคาถาสักหนึ่งคาถาเดียวเนี่ยนะแล้วปฏิบัติตามคาถานั้นตามสมควรแก่ธรรมตรัสรู้ ท่านเหล่านี้ก็ชื่อว่าพหูสูตรอันนี้เป็นพหูสูตรทางปฏิเวทอันะอีอย่างหนึ่งก็คือพหูสูตรทางโสตะเนี่ยนะคือได้ยินได้ฟังมามากทรงอัดทรงท ร, งท ร, งทรงำทรงจําไว้ได้อันนี้เขาเรียกว่าพหูสูตรทางการเล่าเรียนนะแต่นี้มุ่งเอาพหูสูตรทางปฏิเวทนะว่าบุคคลใดเป็นบัณฑิตคือบัณฑิตโดยเป็นพหูสูตรทางปฏิเวทรู้ธรร ม, มะด้วยปัญญาและก็เป็นเครื่องรู้อันยิ่งอธิบายว่าทราบ สัจธรรมทั้งสี่ในตอนต้นด้วยยาตะปริญญาอริยาศาสตร์สีเนี่ยนะตั้งแต่การฟังการเล่าเรียนการใคร่ครวนเป็นต้นโดยยาตะปริญญาและตีรณปริญญาตามสมควรเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นคนรู้ยิ่งธรรมะเหล่านั้นก็คือรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญาเป็นผู้หาความหวันไหวไม่ได้ก็คือสงบกิเลสอันนี้ก็คําว่าสงบกิเลสก็เป็นชื่อของพระนิพพานซึ่งตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ด้วย มัคคปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็สงบระ ง, งับสงบระ ง, งับเหมือนอะไรเหมือนห่วงน้ําที่ไม่มีลมฉะนั้นเนี่ยนะบุคคลนั้นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ที่ไม่หวั่นไหวนี่คือใครพระอรหันต์อย่างเดียวนะไม่หวั่นไหวเนี่ยนะไม่วินไม่หวั่นไหวทั้งโล ก, กธรรมทั้งดีและไม่ดีนะผู้คงที่ถามว่าไม่หวั่นไหวแค่ไหนก็บอกว่าพระ สังกิจะเนี่ยนะท่าน <k ling> บอกว่าเราไม่ยินดีในการเป็นเราไม่ยินดีในการเป็นอยู่ไม่ยินดีในความตายเหมือนกันแต่เราจะรอความตายเหมือนคน 250. ทํางานเสร็จรอรับค่าจ้างเหมัอนกันเขาบอกว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะถือว่าเป็นลาบอย่างประเสริฐใช่ไหมลาบเสมอด้วยการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะการมีชีวิตอยู่นับว่าสําคัญมากการอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะการเสียชีวิตเหมือนกับสูญเสียลาบที่สําคัญมากเลยใช่ไหม ถามว่าถ้าเราเป็นนักโทษเนี่ยนะประหารกันตลอดชีวิตเอาไห น, นนะโดยทั่วๆไปก็ยินดีตลอดชีวิตมากกว่าจะไม่ถ้าให้อยู่ในคุกในตารางไปะนะทางานบ้างอะไรบ้างก็กดีกว่าตายแบบนั้นเถอะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยนะศัพท์ทั้งหลายถือว่ารักจริงๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นการได้ชีวิตอยู่หรือดํารงชีวิตอยู่เนี่ยนะถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐอันใครที่ให้ชีวิตได้เนี่ยนะคนนั้นก็เลยเป็นผู้ที่ที่ควรยกย่องมากคือคนที่ให้ชีวิตเนี่ยนะท่านใดก็ดีผ้ารหารทั้งหลายเนี่ยนะ การได้ชีวิตท่านก็นไม่ได้มีโลภะเลยว่างนะั้นถึงจะตายปกติแล้วสิ่งที่สัตว์กลัวที่สุดคือความตายใช่ไหมเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงที่สุดเสียอนนันไปชนกันรถแหลกหมดเลยแต่ไม่ตายก็ดีใจแล้วเออยังรอดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรักชีวิตมาดอันนั้นการได้ชีวิตถือว่าเป็นของล้าเลิศมากแต่พระอรหันต์ท่านไม่ได้ยินดีในการเป็นอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ยินดีในการเป็นอยู่หรือก็ไม่เศร้าโศกเพราะว่าจะตายอะไรเนี่ย แต่ว่าจะเป็นผู้ที่รอความตายเหมือนคนทํางานเสร็จรอรับค่าจ้างแล้วให้ท่านฆ่าตัวตายท่านก็ไม่ทาเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไปฆ่าตัวตายแต่ทุกครั้งที่ท่านอยู่เนี่ยนะรับปัจจัย4ี่บริโภคปัจจัยสี่ของชาวแว่นแคว้นอันนี้เป็นนาบุญของโลกจริงๆเลยนะียเป็นนาบุญของโลกเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายทําบุญกับท่านแม้แต่ยกมือไหว้ท่านเป็นต้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างมหาศาลเนี่ยนะ ผู้ที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะเป็นผ้าอาหารหันท่านเหล่านี้ก็จะใกล้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ย้อนมาที่ว่าผู้ที่อยู่ใกล้หรือไกลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเน้นไปที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายนั่นเองอมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่คณกะโมคลานพราหมณ์ได้กล่าวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า คือคณะกร ม, ร, รมโมคราณพราม์เนี่ยนะเข้าไปถามข้อปฏิบัติหรือว่าการศึกษาโดยลําดับการกระทําโดยลําดับแล้วก็ข้อปฏิบัติโดยลําดับซึ่งทางโลกเขามีการศึกษาการกระทําการปฏิบัติตามลําดับเนี่ยนะในพระศาสนาพระองค์แสดงได้ไหมว่ามีการศึกษาไปโดยลําดับการกระทําโดยลําดับแล้วก็ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลําดับพระองค์ก็ทรงสแสดงข้อปฏิบัติโดยลําดับนับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเนี่ยอะไร1ก็คือ ศีลเนี่ยนะถ้าถ้าได้กุลบุตรที่สมควรมานะชั้นต้นพระองค์ก็บอกให้มีศีลสองให้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 3. พระองค์ก็สอนให้รู้จักประมาณในโภชนะ4พระองค์ก็สอนให้ประพฤติชาคริยานุโยคเนี่ยนะปฏิบัติตัวเป็นผู้ตื่นอยู่นึแล้วก็5พระองค์ก็สอนให้มีสัมปชัญญะเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะในฐานะเจประการมีการ ไปและกลับแปลเหลียวเป็นต้นนั่นเองหกพระองค์ก็สอนให้อยู่ในเสนาสนะอันสงัเนี่ยนะเสร็จแล้วก็สอนให้ละนิวรณ์ทั้งห้าแล้วให้มีปฐมฌานจนถึงมีจตุธาฌานนั่นแหละนะแล้วก็พระองค์ก็ตรัสอีกว่าดูก่อนพราหมณ์ในพวกพิสูจน์ที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตตมักยยังปรารถนาธรรมะที่กเกษมจากโยคะอย่างหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้อยู่ เรามีคำพร่ำสอนเห็นปานชนิดคือสอนให้บำเพ็ญแบบเนี้ยไปโดยลำดับลักษณะนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์พ้นวิเศษแล้วเนี่ยนะท่านก็จะปฏิบัติตามนี้เพื่อทิฏฐธรร ม, มะสุขวิหารธรรมเพื่ออยู่สบายในปัจจุบันและก็เพื่อสติสัมปชัญญะเพรา ะ, ะนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องปฏิบัติไปตามลำดับเหล่านี้นั่นแหละทีนี้พระนักะโมกคลานะพราหมณ์ก็ถามว่าอ้าวแล้วผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะ บรรลุหมดไหมว่างั้นบรรลุอรหันต์หมดเลยมไหมว่างั้นหรือบางพวกบรรลุหรือบางพวกไม่บรรลุว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าบางพวกก็บรรลุที่รองสอนอย่างงี้นะบางพวกก็บรรลุบางพวกก็ไม่บรรลุทีนี้พราหมณ์ก็เลยถามว่าอ้าวทําไมล่ะนิพพานก็มีอยู่พระพระองค์ผู้บอกทางก็มีอยู่ทาไมบางพวกปฏิบัติแล้วบรรลุบางพวกปฏิบัติแล้วไม่บรรลุถ้าถ้าถามอย่างนี้ถ้าเราจะตอบตอบว่าไงบ้าง อ้าวพระพุทธเจ้าบอกมักบอกหนทางก็บอกอยู่นิพพานก็มีอยู่คนบอกทางก็มีอยู่ทําไมไม่บรรลุล่ะน่าจะบรรลุกันหมดใช่ไหมไทําไมอ่ ะ, ะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่า เ, เ, วเอ อ, เ อ, อนี่พราหมณ์ท่านรู้จักทางไปเมืองราชจะครึกใช่หมเหมือนกันบอกรู้เออมีคนเข้ามาถามว่าเออเนี่ยนะทางไปเมืองรเรือมืองราชจะครึกเนี่ยไปทางไหน พรามก็บอกเล่าเลยใช่ไหมบอกได้ถูกเป๊ะๆหมดใช่ไหมว่าเออเนี่ยถนนเส้นนี้นะไปสู่เมืองราชเครึกจากสาวัตถีไปสู่ราชครึกเนี่ยนะในคนชํานาญทางเนี่บอกได้อย่างละเอียดยิบเลยเสร็จแล้วมีบางพวกเนี่ยนะเดินไปก็ไปถึงสวนข้างทางเป็นต้นนี่ก็ไปเลยชมสวนเลยไม่ไปแล้วราชครึกว่า ง, งนันนะเสร็จแล้วบางพวกก็ไปถึงเมืองราชครึกอ้าวแล้วทําไมบางพวกถึงบางพวกไม่ถึงอย่างเงี้ยแล้วพรามณ์จะว่าไงอะ่ะในฐานะท่านเป็นคนบอกทางอะ่ะ ทำไมบางพวกถึงบางพวกไม่ถึงพรามก็บอกว่าเออข้าพเจ้าก็เป็นแต่คนบอกทางอ่ะนะเขามาถามทางก็บอกทางเข้าไป ไ, ไปถึงไม่ถึงมันอยู่ที่เขานี่ไม่ได้อยู่ที่คนบอกทางหรองั้นพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพรามฉะนั้นเหมือนกันแลในเมื่อ น, นิพพานมีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราผู้ชักชวนก็มีอยู่แต่ก็สาวกของเราอันเราโอวาสั่งสอนอยู่อย่างนี้บางพวก เพียงส่วนน้อยสำเร็จนิพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วนบางพวกก็ไม่สำเร็จดูก่อนพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตะถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางเหือนนเะนี่ยผมก็บอกทางอ่ะนะเขาไม่ไปเดินตามก็จะว่าอะไรเขาเหมือนนทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพรามขนณกะโมกคลานะได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดม บุคคลจำพวกที่ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตออกบวชโอ้อวดมีมายาเจ้าเล่ฟุ้งซ่านยกตัวกลับกรอกปากกล้าพูดพร่ำไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโพชนาะไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นไม่นำพาในความเป็นสมณนะไม่เคารพแรงกล้าในศีกขาทั้งหลาย ประพฤติมา ก, มากปฏิบัติย่อหย่อนเป็นหัวโจกในทางเชือนแชร์ท่อธุระในวิเวกเกียดครานมีความเพียนเลวลืมสติไม่รู้ตัวไม่มั่นคงมีจิตรวนเรมีความรู้ซามเป็นคนเป็นดังคนหนวกเป็นเหมือนคนใบ้ท่านพระโคดมย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลจำพวกนั้นนะนะ พระนี่เขาก็นับว่ารอบรู้มากกั น, นะว่าเออคนทําตัวชนิดนี้เนี่ยห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ส่วนพวกกุลบุตรที่มีศรัทธาออกบวชไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เจ้าเล่ห์ไม่ฟุง้งซ่านไม่ยกตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำไม่พูดเพลินเหนนคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเครื่องตือน นำพาในความเป็นสมณะเคารพแรงกล้าในศิขาไม่ประพฤติมากมากไม่ปฏิบัติย่อหย่อนทอดทุระในทางเชื้อชร์เป็นหัวหน้าในวิเวกปรารบความเพียนมอบตนไปในธรรมนั้นตั้งสติไว้มั่นรู้ตัวมั่นคงเนี่ยนะคือมีสัมปชัญญะมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนวกคนใบ้ท่านท้าคดมย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรพวกนั้นังงั้น ค่ะแต่ท่านพระโคโดมเปรียบเหมือนบรรดาไม้ที่มีรากหอมเนี่ยนะเขายกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศ น, น, นะนะกฤษณานี่รากหอมว่า ง, งั้นบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมเขายกย่องจันแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมเขายกย่องดอกมละลิว่าเป็นเลิศฉันใดโอวาทของพระโคโดมก็ฉะนั้นเหมือนการบันดิตกล่าวได้ว่าเป็นเลิศในบรรดาธรรมะของครู อย่างแพะที่นับมาเยี่ยมว่างั้นในบรรดาครูหรือเจ้าลัทธิสมัยนั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดแจมแจ้งจริงๆพระเจ้าค่ะว่ า, า ง, างั้นก็ถึงไตสรณคมเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นที่ยกมาอ่านว่าคณะกะโมกคลานะพราหมนี่เขาสา ม, มารถฟังคําสอนเนี่ยนะที่เป็นข้อปฏิบัติตามลําดับแล้วรู้ได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ใกล้ใครเนี่ยนะคนที่มีคุณสมบัติควรอยู่ใกล้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้อยู่ห่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร อนนะัณกรโมคลานะพราหมเนะรู้ทันทีเลยทีนี้พระอรหันต์ในยะที่สามเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ทรงละบาปประธรรมอันควรละเว้นได้เด็ดขาดเนี่ยนะบาปธรรมทั้งหลายเนี่ยควรละเว้นจริงๆนะนะว่าบาปประธรรมทั้งหลายมีราคาเป็นต้นเหล่าใดเกิดขึ้นในสันดานใดย่อมนำมาซึ่งความชีพหาย ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมและทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภาพแก่สันดานนั้นและเป็นค่าศึกโดยส่วนเดียวเท่านั้นต่อปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพันธ์เนี่ยะบาปธรรมเหล่านั้นอันสาชุอันสาทุชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติอยู่โดยชอบพึงเวน้นคือพึงสละรอบและพึงละให้ห่างไกลเพื่อจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าระหะ ก็พระเหตุที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงละบาปประทามเหล่านั้นแล้วโดยประการทั้งปวงคือทรงตัดได้โดยเด็ดขาดแล้วด้วยอริยมรรคณะวงโผพรึกนั่นเองเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไปว่าดูก่อนพรามราคะโทสะโมหะตถะาคตละได้แล้วอากุศลธรรมอลามกทั้งหมดตถาคตก็ละได้แล้วทอนรากได้แล้ว กระทำให้ไม่มีที่ตั้งอาศัยเหมือนต้นตาลที่ถอนรากได้แล้วทำให้ไม่มีต่อไปมีความเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อีกเป็นธรรมดาเนี่ยนะคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะไม่เกิดในอัธยาศัยของพระ อ, องค์อีกธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อควรจะกล่าวว่าอาระหเนี่ยนะพ่ออัตถาว่าบาปธรรมชื่อว่าระหะที่แปลว่าควรเวน้นไม่มีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคนี้บาปธรรมทั้งหลายชื่อว่าระหะ เพราะอันสาทุชนทั้งหลายควรเวนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับขนานพระนามว่าอารหรันเพราะทรงละบาปประธรรมอันชื่อว่ารหะเหล่านั้นได้เด็ดขาดทีนี้ย้อนไปที่ว่าบาปประธรรมทั้งหลายนี่นะที่ว่าเกิดขึ้นในสันดานใดนี่นะนำความชีพหายให้ให้เกิดในทิฏฐธรรมและสำปรายภพขึ้นเราก็มาคิดดูว่าเออถ้าราคะเกิดขึ้นแล้วนี่นะทำลายประโยชน์ในโลกนี้ไหมยอย่างหนึ่ง ทำลายประโยชน์ในโลกหน้าไหมโทสะเกิดขึ้นแล้วนี่นะทำลายประโยชน์ในโลกนี้ไหมทําลายประโยชน์ในโลกหน้าไหมโมหะเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วทําลายประโยชน์โลกนี้ไหมทําลายประโยชน์ในโลกหน้าไหมเออถ้าเอาเอาโทสะก่อนนะโทสะเกิดขึ้นเนี่ยทำลายประโยชน์ในโลกนี้ยังไงทำลายประโยชน์ในโลกหน้ายังไงนะถ้าโทสะเกิดแล้วทาลายประโยชน์โลกนี้ยังไงแต่ระหว่างใช้รถใช้ถนนอยู่นะไปโทสะกับเพื่อน ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยกันเนี่ยนะไปถึงจุดหมายหรือเปล่าไม่รู้นะผลไม่รู้จังแย่ยเลยนะใช่ไหมก็ก็นึกถึงอยู่ที่หนึ่งนะโยมเขาเขาขับรถไปอนะก็สิบลอ้อปาดหน้าไงไม่รู้ก็ขับรถไปด่าสิบลอ้อสิบลอ้อมันขับตามไปแล้วมันยิงจอหัวบนะ <c oughs> น, นั้นประโยชน์โลกเนี้อะหมดเล ย, <c oughs> เลยนะนะก็สิบลอ้อมันขขนานไปแล้วมันยิงเนี่ยข้างๆนะเป็นรถปิกอัพนะ นะบางแห่งนี่เป็นขนาดนั้นนะถ้าโทรสั่เกิดขึ้นมาเนี่ยประโยชน์ในลูกนี้คือชีวิตก็จะเอาตัวไม่รอดงงแต่รักษาต่อไปก็ไม่ได้คือมันมีความมันมีความวไวและมีความเสียหายขนาดนี้สมมุติว่าหนังสือเร่ยนนี้นะของคุณทาริีไว้เนี่ยนะฮะผมมาถึงผมเกิดโทรสั่เท่านี้นะครับเท่านี้คนะรนะับเท่านี้ผมทําที่โทรสา่นะเท่านี้จะสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่ายหนึ่งมหาศาลนละเท่านี้นครับ แล้วไม่รู้จักกันนะถ้าไม่รู้จักกันนะไ ม, กกนนะไม่รู้จักกันเนี่ยนะได้เรื่องเลยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับแล้วยากที่จะประสานกันใหม่น ะ, ป, ะรประโยชน์ใดๆที่จะพึงมีร่วมกันต่อไปก็ ก, ก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ในโลกนี้ก็ก็เสียหายเลยแหละแต่ถ้าถึงขนาดกับถ้าโทสะถ้าล่วง ม, มาทางวาจาด้วยก็ยิ่ ง, ย, ง, ย, งยิ่งหนักเข้าไปอี ก, ก น, นะ mm. ถ้าล่วง ม, มาทางกายด้วยถึงกับทะเลาะเบาแวง้งชกตีกันไปก็โอ้โหประโยชน์โลกนี้เนี่ยหมดเลยนะ หลายคนที่จะเจริญเจริญขึ้นก็เสียหายเพราะโทสะเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะถ้าถ้าโทสะเกิดมากๆากเนี่ย แ, แต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าไปด่าใครเนี่ยนะตอนหลังก็เป็นโรคอามตาพึกอามาัมภาดอะไรเหมือนกันนะมีพระเทระรูปหนึ่งเนี่ยนะเป็นพระผู้ใหญ่เป็นเจ้าคุณใหญ่มากจบเป็นญาเอกด้วยจากต่างประเทศนะั่นแหละไอ้ความที่ท่านเป็นเจ้าโทสะมากนะตอนหลังก็เป็นโรคอามตาพึกเลยนะเป็นอามตพึกจนทําอะไรไม่ได้เลย ่จะเป็นอมัมพาตเลยนะเ น, นื่องจากโทสะที่มันเกิดบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยนะไม่ทราบว่าเพราะเหตุไรแต่ว่าอันนี้ก็ผลพวงมาจากโทสะนั่นแหละถ้าจะว่าไปเนี่ยอนาคตในาศาสนาถ้าจะพูดแบบยศตําแหน่งในทางาศาสนาเนี่ยโอ้ท่านจะไปอีกเยอะเหมือนกันแต่ก็เสียหายมากนะเนี่ยเนื่องจากเป็นคนเจ้าโทสะเนี่ยนะอั น, นประโยชน์ในโลกนี้ก็เสียหายมาซะ แต่ถ้าประโยชน์ในสายโลภะเป็นต้นเนี่ยนะก็สร้างความเสียหายคนที่ไม่เจริญเนี่ยนะเพราะว่าโลภะมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันล่วงทั้งกายกรรมใช่ไหมล่วงมาทั้งวจีกรรมมันซ้ํามเมื่อไปผิดศีลด้านอื่นๆด้วยนะเนี่ยนะเช่นโลภะเนี่ยทาให้ผิดปานาติบาตก็ได้นยะผิดอัทินนาทานก็ไดนะ้ถ้าไปทิมทำอทินนาทานไว้สักครั้งเดียวเนี่ยนะความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นต้นก็หมดละเะฉั้นความเจริญในโลกนี้ก็แทบไม่มีละ หรือบางคนก็ถ้าไปผิดการเมสุมิฉาจานเรื่องนะหรือว่าไปมุสาวาดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารู้ทันอ่ะนะครั้งเดียวก็เรียบร้อยหมดล้วหรือว่าไปดื่มเหล้าเมายาเสียงานมาครั้งหนึ่งก็อ๋อหมดเลยอ่ะกับไปโทสะอินนินนะครับท่านเชื่อไหมถ้าเรามีโทสากับคนที่สูงกว่าเรานะเรียบร้อยเลยครับลูกน้องมีโทสะกับนายทั้งหน่อยนะครับ <c oughs> นายสิบมีโทสากับนายพันทักทีเดียวนิดเดียวนั่นึอง ครั้งเดียวก็พอเลยลูกน้องในบริษัทมีโทสะกับผู้จัด ก, การทักหน่อยเดียวเท่านั้ น, นะได้เรื่องเลยครับเรียกว่าไอประโยชน์ในชาตินี้นะบรรลัยเลยไม่เหลือเลยโอ้ไล่แรงเลยอันทั้งโลภะโทสะเนี่ยนะสร้างความเสียหายให้มหาศาลแต่อย่าลืมว่ารากเง่าของโลภะกับโทสะไม่มีอะไรเป็นรากโมหะนั่นแหละ ถ้าหากว่าเขารู้เขาก็ไม่มีโทสะใช่ไหมถ้ารู้ก็ไม่มีโลภะเนื่องจากโลภะและโทสะนั่นแหละเป็นมีมีโมหะเป็นสมุธานมีโมหะเป็นมูลมีโมหะเป็นรากเง่าเพราะฉะนั้นประโยชน์ในโลกนี้ก็สูญเสียหมดเลยทีนี้ถ้าพูดถึงประโยชน์ในโลกหน้าละ่ะถ้าเห็นสัตว์ในอบายเมื่อไรนะให้รู้เถอว่านี่คือผลของ ราคะโทสะและโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเห็นสัตว์ในอบายเนี่ยนะเห็นมดเห็นปลวกเห็นสัตว์ชนิดไหนก็ช่างอะให้รู้ทวันนี้คือผลพวงของราคะโทสะโมหะเมื่อเช้านี่ไก่ขันเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเออนี่นะเป็นผลพวงอย่างหนึ่งของราคะเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะหรือเห็นมดเห็นปลวกเห็นสัตว์เห็นสุนัขเห็นหมูหมากาไก่ก็ช่างเถอะให้รู้ทวันนี้คือผลพวงของราคะโทสะโมหะเนี่ยนะ หรือถ้าหากว่าเห็นใครสุขภาพทางกายไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนให้รู้เธอว่านี่เป็นผลของโทสะเป็นต้นนั่นเองนะนี่เป็นผลของกิเลสประธรรมทั้งหลายเนี่ยนะหรือเห็นใครที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในร่างกายเขาที่น่าตําหนินะให้รู้เธอว่านั่นไม่ใช่ผลบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะพึงมีต่อไปในอนาคตถ้าราคะโทสะโมหะเกิดให้รู้ว่านั่นแหละเป็นผลของราคะโทสะโมหะจริงๆเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นสมุดฐานแห่งการทํากรรมแล้วกรรมอันนั้นแหละทําให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาตถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เช่นตระกูลต่ํายากจนสุขภาพไม่ดีผิวพรรณเศร้าหมองเนี่ยนะสติปัญญานี้ไม่เฉลียวฉลาดเป็นต้นนี้เพราะเป็นผลของกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะที่จะเห็นต่อไปในสัมปรายภพทีนี้เราก็ไม่ต้องรอไปรอดูตัวเองเออลองโกรธดูสิสัมปรายภพจะเป็นยังไงไม่ต้องหรอก เพราะว่าไปเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นผลของราคะโทสะโมหะก็น่าจะเพียงพอแล้วเนี่ยนะศึกษาแค่นั้นก็พอที่จะเพียงเห็นโทษแล้วไม่ต้องไปกระโดดเป็นไก่เป็นกุ้งซะเองหรอกแล้วค่อยเชื่อเพรางั้นไม่ต้องเพราะฉะนั้นแค่เห็นว่าเออสัตว์ทั้งหลายที่ประมาทเนี่ยแหะนี่แหละผลของราคะโทสะโมหะถ้าเราจะเจริญราคะโทสะโมหะจะไม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เลยเนี่ยนะโดยเฉพาะเดราชาเ น, นี่ยนะโมหะนี่มากมีกําลังกล้ามากเลยนะ ถ้าพบ อ, อื่นๆบางพบนี่ก็โทสะอาจจะแรงเ่ยนะเดรรชานบางพวกเนี่โทสะแรงเดรรชานบางพวกก็มากไปด้วยโมหะนะเดรรชานบางพวกก็หนักไปทางถีณมิท่านะก็แต่และอย่างก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันอันนี้ที่เราเห็นนะแล้วเปรตทั้งหลายที่บางท่านไม่เห็นแ่ะแล้วที่ท่านเห็นก็มีอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยนะนรกไม่ใช่มีสองสาขุมนะมีเป็นร้อยขุมเนี่ยนะมีเป็นร้อยขุมนี่แหละ แล้วก็ถ้าบอกว่าอเวจีเนี่ยคำว่าอาเวจีเนี่ยเขาบอกว่านรกเนี่ยมันยัดเยียดกันอยู่เหมือนทนานดีบุกเขาว่ากันไม่ว่างเลยนะไม่ว่างจากสัตว์เลยมันมากมายมหาศาลอันนั้นก็เป็นผลพวงของราคะโทสะและโมหะนั้นประโยชน์ในสัมปรายภพก็เป็นนันหมดสิ้นกันเลยเนี่ยนะถึงสัตว์ทั้งหลายถึงมาเกิดในสุขติเนี่ยนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือมาเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นถ้าราคะโทสะโมหะเกิดเนี่ยเป็นเหตุเวียนไปสู่อบายอีก ่ามียักษ์ท่านหนึ่งเนี่ยนะคําว่ายักษ์เนี่ยเป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชไปไหนก็เหาะไปทีนี้วันหนึ่งเนี่ยนะเป็นวันพระจันทร์ข้างขึ้นเลยนะภาษาริบุตรนั่งเข้าพระสมาบัตรมานั้นโกนผมใหม่ๆก็นั่งเข้าพระสมมาบัตรกลางแจ้งยักษ์นี่เหาะไปเห็นนักเกะกะตาหน้าเดือดเลยนะ <c oughs> ก็หวดเข้าไปปั๊บหนึ่งเลยนะใช้ตะบองเนี่ยแหละก็ทีแรกก็บอกเพื่อนก่อนเนี่ยผมจะหวดพระองค์นั้นหน่ะ บอกยาเลยท่านยายาไม่เชื่อแล้วก็หวดไปเลยนะก็บอกกระทั่งหดเขาย่อมย่อมเนี่ยยุบเลยนะหวดช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยจมลงดินเลยะแต่ว่าภาษาลิบุตรก็ว่าพอออกจากสมาบัติก็เหมือนกับยุงกัดหน่อยนะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพผลของสมาบัตรรักษาไว้นะทีนี้พอยักเนี่ยพอตีสเนี่ยนะร้อนทันทีเลยนะแผ่นดินเนี่ยแยกเลยจมมาเวจีทันทีเลยพับเดียวนั่นแหละนะอันนั้นก็เป็นผลของโทสะทั้งหลายนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นอบายทุคติวินิบาต์เนี่ยไม่ยากและอย่างหนึ่งราคะหรือโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเกิดอยู่ในจิตเฉยๆเนี่ยนะไม่แสดงออกมาขณะนั้นเป็นอาสยะวิบัติอาสยะวิบัติล่วงมาทางกายทางวาจาเมื่อไร่อันนั้นเป็นประโยคะวิบัติเพราะฉะนั้นนํามาซึ่งความวิบัติทั้งโลกนี้ด้วยวิบัติทั้งโลกหน้าถ้าวิบัติแบบนี้แล้วอ่ะแหมวิวัตตะจักเป็นไปได้อย่างไร เพราะฉะนั้นราคาโทสะโมหะจึงเป็นค่าศึกโดยส่วนเดียวต่อข้อปฏิบัติที่จะทําให้สัตว์ถึงพระนิพพานข้อปฏิบัติที่ทําให้สัตว์ถึงพระนิพพานคืออะไรหนึ่งศีลอธิศีลและศิขาใช่ไหมโทสะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะคนที่รักษาศีลไม่ได้เนื่องจากโทสะนะนะคนที่ผิดศีลจริงๆเลยนะคนไม่มีศีลคือคนที่มอบไปด้วยโทสะเนี่ยนะ อย่างเฉ พ, พาะพระพิสูจน์เนี่ยนะเวลาจะล่วงศิกคาบทที่เป็นปัณิวัตชะส่วนใหญ่เนี่ยทาด้วยโทสะคือคือไม่พอใจนะ่ะไม่เอือ้อเฟื้อไอ้กิริยาที่ไม่เอื้อเฟื้อนั่นเป็นโทสะเพราะฉะนั้นคนที่ศีลไม่ดีคือมากไปด้วยโทสะเนี่ยนะคนมีโทสะนี่จะรักษาศีลไม่ดีคือศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกายกับวาจาใช่ไหมกายที่ที่เรียบร้อยเนี่ยนะไม่เสียหายวาจาที่เรียบร้อยไม่เสียหาย แต่จริงอยู่ว่าบางอย่างเนี่ยเป็นด้วยอํานาจโลภะแต่ที่เป็นเนี่ยเนื่องจากไม่เอื้อเฟือในในธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นการล่วงละเมิดผิดศีลผิธรรมก็เนื่องจากโทสะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนมีโทสะนั่นแหละทําให้รักษาศีลได้ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นให้สูุภนิพานเพราะฉะนั้นถ้าโทสะเกิดขึ้นทําลายศีลหมดเลยทีนี้ถ้าโลภะเกิดขึ้นเนี่ย สมรราทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งเพื่อให้สัตว์ถึงพระนิพพานแต่เนื่องจากมากไปด้วยราคะเป็นต้นนะอาสยะก็วิบัติเนี่ยนะเพราะกามนะกามมาสยะเนี่ยอัธยาศัยในกามก็นับว่าวิบัติถ้าพฤติกรรมกับเวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมที่มีราคะเหล่านั้นเป็นสมุทฐานอันนั้นก็เป็นประโยควิบัติถ้ามีกําลังก็ถึงกับผิดศีลผิดธรรมเนี่ยนะ เพราราคะเกิดขึ้นตรงๆก็อาทินนาทานก็ได้กามเมก็ได้มู้สาว่าหรือไปผิดอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะผิดศีลแล้วราคะนี่แหละเป็นสมุทฐานของมิจฉาทิฐิเป็นเหตุตุปัจจัยของมิจฉาทิฐิแล้วเป็นอุปนิสัยที่สําคัญของมิจฉาทิฐิต่อไปเนี่ยนะพันส ม, มะถะทั้งหลายเป็นต้นก็วิบัติในนี้พอโลภะเกิดทิฐิเกิดเนี่ยนะทิศทางของวิวัตตานี่หมดจบหมดเลยนะเพราะว่า สมมติถ้าหากว่านิพพานนะสมมุติว่านิพพานอยู่ทางทิศตะวันออกมิจฉาทิถีทั้งหลายจะคิดว่าอยู่ทิศตะวันตกมันก็จะกลับกันหมดเลยเนี่ยนะก็จะกลับกันหมดเลยสมมุติว่าคนเขาจะไปใต้การแต่หันรถไปทางทิศเหนืออย่างเงี้ยมันก็กลับกันหมดอันมิจฉาทิถีทั้งหลายก็จะเห็นตรงกันข้ามกับสัมมาทิฐิสัมมาทิถีบอกว่าอ่านิบุญนีิบาปนะมิจฉาทิถีบอกไม่ใช่ สัมมาทิฏฐิบอกว่าเจตนาฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาปนะมิจฉาทิฏฐิบอกไม่ใช่ไม่บาปเนี่ยนะเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารเน่ยว่าไปนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะทําสร้างความเสียหายอีกมหาศาลเลยนะก็จมอยู่ในวัตฏะต่อไปแต่ถ้าโมหะพูดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้ว่าไงพระองค์บอกว่าไม่เห็นเครื่องกลางกั้นใดที่จะยิ่งใหญ่เท่าโมหะอีกแล้วในบรรดาเครื่องกั้นทั้งหลาย ในบรรดานิวรณ์ทั้งหลายโมหะนี่ใหญ่ที่สุดในโลกบรรดาสิ่งที่ผูกไว้หมดเนี่ยนะไม่มีอะไรเสมอเท่ากับตันหานั่นนะอันตันหาในฐานะเป็นสังโยชน์หรือเครื่องผูกอวิชชาในฐานะเป็นนิวรณ์คือเครื่องกลางกางั้นนี่คือวัตตะของศาตร์ทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้เพราะสังสารวัตมีตันหาเป็นศีสระอย่างหนึ่งมีอวิชชาเป็นศีสระเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นมี ทิฐิเป็นศีรษะอย่างหนึ่งนะเป็นเหมือนกับถ้าศีรษะก็เหมือนกับหัวจักนะหัวจักของรถไฟอย่างเงี้ยก็มีหัวจักที่พาไปฉันใดกระแสในวัตตก็มีอวิชาเนี่ยนะถ้าตามปฏิจจสมุปาทก็มีอวิชาเป็นหัวจักใหญ่เนี่ยนะถ้าในยะอื่นก็มีตันหาบางในก็มีทิฐิเป็นศีรษะใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้น3ตัวนี่แหละตันหาทิฐิอวิชาเนี่ยเป็นหัวจักใหญ่ ส่วนโทสะเนี่ยเป็นผลพวงของพวกตันหาเป็นผลพวงของทิฐิอีกครั้งหนึ่งแล้วอนะโทสะในฐานะเป็นทุกขสัตว์เป็นผลของราคะเป็นผลของโมหะเป็นผลของมารณอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้มหาสาลมันเสียหายจนที่ว่าประโยชน์มันไม่เกิดขึ้นแล้วนะยังไม่รู้ตัวอีกนะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นคุณธรรมทั้งหลายก็เลยหมดกันเลย ผลสิ่งเหล่านี้ก็จําเป็นจะต้องละต้องเว้นทั้งหมดนะนะถ้าไม่ละไม่เว้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ยากที่จะเจริญงอกงามในธรรมได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงอาธิศีลสิกขาเนี่ยนะที่พระองค์พร่มสอนด้วยพระมหากรุณาอย่างมหาศาลเนี่ยนะเรื่องของศีลก็เพื่อกําจัดโทสะนั่นแหละที่พระองค์ทรงแสดงพระสูตรเป็นต้นมากมายก็เพื่อกําจัดตัณหาแล้วก็ที่พระองค์ทรงแสดงพระพิธรรมก็เพื่อที่มุ่งกําจัด โมหะนั่นเองนะมุ่งขจัดความลุ่มความหลงที่ควรรู้นะแต่ว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันปกปิดไม่ให้รู้อาศัยความอนุเคราะห์ของภาษาสดาก็แสดงและอย่างหนึ่งนะถ้ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะแม้แต่ธรรมะก็ยังฟังไม่ได้เลยนะถ้าโทสะเกิดขึ้นก็ฟังธรรมไม่ได้ละฟังธรรมก็หมดได้แล้วถ้าราคะยอมขึ้นมาก็ฟังธรรมไม่ได้ถึงโมหะเกิดขึ้นก็รับประธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นโอ้ทาลายนะับตั้งแต่ฟังหมดแล้ว และอย่างหนึ่งนะแม้แต่พระธรรมที่เรารู้ชัดรู้เป็นอย่างดีนะถ้าโทสะเกิดขึ้นนะหมดเลยโอ้อริยศาสตร์เนี่เรียนมาเป็นอย่างดีนะพอโทสะเกิดเนี่ยลืมหมดเลยนะถึงจําได้ ก, ก็ก็เต็มทีละบางท่านน่ยหัวท้ายเนี่ยหัวมังกุรท้ายมังกรเนี่ยจำไม่ค่อยได้มาละราคะเกิดก็เหมือนกันโทสะเกิดก็เหมือนกันเพราะนิโวเนี่ยจึงกลุ้มรุมเนี่ยนะสร้างความเสียหายให้แม้แต่พระธรรมที่ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยซ้ําไป จะกล่าวไปยายถึงเอาพระธรรมเหล่านั้นไปดำเนินเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติในทั้งโลกนะครับถ้าโลภะเนี่ทําให้เสียผู้ใหญ่ครับผมนึกระวังที่สุดเลยเมื่อเสียจริงๆครับทำตัวทะเลอดทะแลน่ะถูเสียผู้ใหญ่มากเลยดีไม่ดีเลียกเสียหายเลยเด็กๆเลียกเสียหายเลยระวังมากหนึ่งแล้วมันน่าเกลียดเลยใช่นะมมันน่าเกลียดครับ นี้ผู้ใหญ่นะแล้วะแล้วแล้วเสียหายทางโลภะนั่งดูไม่น่านับถือดูถูกดูถูกดูหมิ่นดูแคลนไปกันใหญ่เลยเสียจริงๆอ่ะนะจริงๆนะก็พ่อที่ที่ไม่รักเดียวใจเดียวกับแม่ส่วนใหญ่ลูกแม่ก็ลูกยังลังเกียดเลยนะเท่าที่เข้าที่รู้มานะนะมีมีเทที่เห็นอยู่คนหนึ่งอ่ะนะแม่ลูกแทบจะท้าท้าต่อสู้กันเลยนะ พ่อ่ที่ไปไปเสียหายทางโลภะนี่ก็สร้างความเสียหายอย่างอื่นให้อีกเยอะแยะนะอันนี้แล้วก็อีกตั้งไม่รู้กี่เรื่องอะนะที่สร้างความเสียหายให้เนี่ยนะแม้กระทั่งสมมุติว่าถ้าผู้ใหญ่ที่เสียหายไปทางโมหะไงนะการดื่มสุราเนะนี่ยยังก็ประเภทตายโมหะเนี่ยนะมันก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่สูงๆจรนะิงๆอ่ะนะก็มันน่าตำหน่งจริงๆอ่ะนะเพราะถ้าหากว่าไปดื่มสุราแล้วก็พระองค์ตรัสว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยนะ ฐานะแปลว่าที่ตั้งหรือแปลว่าเหตุก็เหตุแห่งความประมาทถ้าสุราเข้าไปแล้วเนี่ยนะผิดศีลอื่นๆเนี่ยหมดเลยนะศีลทั้งสี่ข้อที่เหลือเนี่ยนะหนึ่งปฏิบาตก็ตามมาก็โดยเฉพาะถ้าฐานะไม่ค่อยดีนักก็ในฐานะกลับแกล้มกันใช่ไหมที น, นี้อัตินาทานก็ตามมาอี ก, ก น, นะเมาแล้วไปมูซ า, าอีกกนะ า, ามเมก็แล้วแต่ปจัจจัยครั้ง นะก็ผิดศีลผิดธรรมพาไปอย่างอื่นหมดแหละแต่ทีนี้พอพลาดไปแล้วนะถ้าเป็นคนมีหิริโอตปะจะเดือดร้อนใจอีกละจะเดือดร้อนใจเนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านี้ไปปรากฏใกล้ตายเขาเรียกว่าหลงตายอากุศลธรรมเหล่านี้นะถ้าไปเกิดเวลาใกล้ตายนะไปนึกได้ตอนนั้นเรียกว่าผู้ที่หลงทำกาละนะขณะนั้นจิตเศร้าหมองถ้าเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้ นี่ถ้าไปทุกขติแล้วไปเกิดเป็นปลาแล้วก็โหคันนี้ก็เอาจับไปใส่ตู้ดูเลยคันนี้ถ้าไปเกิดเป็นลูกน้ำํำก็จับไปเลี้ยงปล า, าออแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าโอ้โหเป็นไปได้ไหมจะนึกถึงกุศลเนี่ยนะในระหว่างที่อยู่ในอบายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่ในอบายจึงน้อยนักที่จะหวนกลับไปสู่สุขติเนี่ยนะมันยากอย่างนั้นแต่ว่าพูดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะความชั่วความเสียหายแบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทําลายได้หมดเกลี้ยงเลย ะเนื die, so die, ่องจากกําหนดรู้วัตถุอันเป็นเหตุแห่งราคะโทสะหมดแล้วเนี่ยนะวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะพ้องก็กําหนดรู้วัตถุนั้นหมดแล้วสุภานิมิตเป็นวัตถุแห่งราคะพ้องก็กําหนดรู้สุภานิมิตอย่างบริบูรณ์นะปฏิฆานิมิตเนี่ยนะเป็นวัตถุแห่งโมหะพ้องก็รอบรู้วัตถุอันนั้นอย่างบริบูรณ์อุเบคานิมิตเป็นวัตถุแห่งโมหะเนี่ยนะ หรือแม้กระทั่งสู่ภาสนิมิตก็เป็นวัตถุของโมหะด้วยนะปฏิฆานิมิตก็เป็นวัตถุของโมหะหรืออุเบค า, านิมิตก็เป็นวัตถุของโมหะพองค์วิเคราะห์อารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุเกิดของโมหะทั้งหมดได้อย่างบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อรอบรู้อารมณ์เหล่านั้นอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะด้วยการทํายาตะปริญญาในอารมณ์นั้นก็ละอละอันนั้นเรียกว่าปหานะละสมุทัยอันนั้น น, นะเพราะฉะนั้นพงก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ นะเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรที่ก่อให้เกิดราค่าโทสะก็ไม่มีสําหรับพระองค์อีกแล้วเนี่ยนะไม่มีอารมณ์ใดทําให้พระองค์ชอบแม้แต่อารมณ์เดียวเลยนะด้วยอํานาจโลภานี้ไม่มีเลยไม่มีอะไรทําให้ขัดเคืองแม้แต่อย่างเดียวไม่มีอะไรทําให้พระองค์ลุ่มหลงได้แม้แต่อารมณ์เดียวนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วพระองค์เนี่ยที่เป็นท่ารหันจะพิเศษจากอารหันองค์อื่นๆอีกตรงที่ว่า เป็นพระอรหัรอย่างนี้แล้วสอนให้ผู้อื่นเป็นอย่างนี้ได้ด้วยถ้าสอนให้รู้ตอนนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรสอนให้เขาได้อุปนิสัยก่อนแล้วชาติต่อต่อไปเขาจะได้ดีเหมือนอุทายีปริพาชคเนี่ยนะอันนั้นมีอ่ปริพาชคอยู่คนหนึ่งพระ อ, องค์นี่สอนให้บรรลุชาตินี้ไม่ได้แต่พระ อ, องค์สอนให้ได้อุปนิสยัยชาติหน้าเขาจะได้บรรลุเป็นพระอรหา์ง่ายพระ อ, องค์ทำว่าอย่างนั้นก็ยังมีเยอะ และอย่างหนึ่งถ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์ยังอยู่เนี่ยนะผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็มีอัธยาศัยน้อมไปในวิวาตะเนี่ยนะคนเหล่านี้ก็ได้รับอุปนิสยัยไปศึกษาในศาสนาพระผู้มีพระภาคองค์ต่อไปก็ตรัสรู้ง่ายเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ยิ่งกว่าอารหันต์ทั่วทไปแต่พระอรหันต์ทั่วๆไปไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านเป็นนาบุญจริงๆเลยะนะเป็นนาบุญแม้กระทั่งเลื่อมใส ย, ยกมือไหว้ก็เป็นเหตุแห่งตระกูลสูงและละอางนั้นะ การการพูดถึงธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนะสิ่งที่ควรคำนึงว่าให้มากที่สุดเนี่ยนะเวลาเราพูดเนี่ยควรนึกถึงที่มาก่อนสมมติถ้าเราจะพูดธรรมะคำไหนก็ได้เนี่ยนะที่เราพูดขึ้น น, นี่นนะควรจะนึกถึงที่มาก่อนอเมื่อนึกถึงที่มาของคำนั้นเสร็จแล้วคำนั้นเนี่ยท่านขยายว่าอย่างไรท่านอธิบายว่าอย่างไรเนี่ยนะแล้วค่อยติดตามเรื่องนั้นต่อไป ถ้าถ้าทำในลักษณะนี้ระยะยาวเราสา ม, มารถทรงจำพระธรรมที่เป็นสาระได้มากแต่ถ้าหากว่าเราจำเอาเฉพาะแต่คําทั่วทั่วไปธรรมดามาเฉยๆเนี่ยนะเรารู้ธรรมะเยอะแต่ทีนี้ว่ารู้แล้วปฏิบัติ ต, ต่อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วก็สิ่งที่รู้บางทีก็เป็นคําเกินซะส่วนใหญ่เนี่ยนะคที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลย นี้ในการที่เราสามารถทรงจำที่มาที่ไปของคำนั้นๆได้วันหลังเราก็สอบสวนได้ในคำเดียวกันนี้แต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยนะความเข้าใจเราเพิ่มมากเพิ่มน้อยลดมากลดน้อยเราก็สามารถกลับไปทบทวนอย่างนี้ต่อไปได้นี่นะก็จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าไม่สามารถทรงจาที่มาที่ไปได้เลยเนี่ยนะก็ว่าไปเรื่อย มันก็เหมือนกับถ้อยคำที่มันพูดฝากฝากต่อๆกันไปก็ยกตัวอย่างผู้การบอกลูกน้องว่ารับสามองนะนะลูกน้องผู้การบอกสามโมงนะเหมือนกันนะจากสามองไปเป็นสามโมงเฉยเลยกันนี้แล้วได้พระมาสองรูปนะ่อย่างนี้เพราะต้องรอบ่ายสามนะะถ้อยคำที่ต่อๆกันไปจะเป็นลักษณะนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะ นึกที่มาให้ได้การสนทนาธรรม ท, ที่ที่ของมาบางแห่งไม่ไม่ไปหรือไม่ทำหรือหลายๆแห่งเลยนะที่ไม่ค่อยอยากทำอย่างหนึ่งคือการพูดคุยโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคุยจบแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะก็ได้เสียเวลาไปอีกวันหนึ่งก็บอกว่าเสียเวลานี้บวกอะไรเข้าไปด้วยสมมติเสียเวลาวันหนึ่งบวกอะไรเข้าไปด้วยเวลาใช่นะนะบวกอายุเข้าไปด้วยวันหนึ่งนะ ก็บอกว่าการเวลาเนี่ยกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวข้องมันเองเนี่ยแต่มีนะผู้ที่กินการเวลาคือพารหันทั้งหลายท่านอยู่เหนือการและเวลาเนี่ยนะไม่ต้องขึ้นตรงต่อการเวลาอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าพารหาหันทั้งหลายอยู่หรือไปก็ก็เหมือนเดิมเหมนะการเวลาไม่ได้เป็นมีอะไรกับท่านเลยท่านจะมีชีวิตอยู่สำหรับตัวท่านแล้วก็ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร ถึงท่านจะดับไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือการและและเวลาทั้งหลายแต่ของเรานี้ขึ้นตรงต่อการและเวลานะแล้วแต่การแล้วแต่เวลาเป็นต้นผู้ที่ยังอยู่ในการและเวลาเนี่ยนะยังเกี่ยวเนื่องกับการเวลาอยู่ระหวังนี้ก็ทําเหตุไปเรื่อยเนี่ยน ะ, ะไปคนเจอคําหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ยินดีในการตาย ไม่ยินดีในการเป็นอยู่แต่ว่าจะรอรอเวลาตายเหมือนกับลูกจ้างที่ทำงานเสร็จเนี่ยนะรอรับค่าจ้างถามว่าทำไมท่านจึงไม่ยินดีในการตายโดยธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยคนที่อยากตายเนี่ยคือคนเช่นไรนะเราเรามาลองเทียบแบบคนทั่วๆไปนะคนที่อยากตายคือคนประเภทที่คิดว่าตายแล้วเขาจะได้รับความสุขเนี่ยนะตายแล้วเขาสุขคติเขาหวังได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ยินดีในการตายก็คือคนยินดีในการเกิดนั่นเองคนที่ยินดีในการตายก็เท่ากับต้องการเกิดใหม่นั่นเองจะได้ไปไปสู่ที่มันดีกว่านี้ไปอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้ไปสู่ภพภูมิที่มันดีกว่านี้เป็นต้นนะนะพระหัต์ไม่เป็นแบบนั้นเลยในอัตถกาถาเทระกาถาธิบายถึงผู้ที่ยินดีในการตายก็คือผู้ที่ยินดีในการเกิดนั่นแหละแสดงว่ายังต้องการเกิดใหม่อีก อทีนี้ผู้ที่ยินดีในการตายเนี่ยแสดงว่าโดยรวมๆก็ลักษณะประเภท ส, สตทัตตตถิถิซะส่วนใหญ่ตายแล้วก็จะได้ไปอยู่ชีวิตที่มันนิรันดรไปอยู่ในชีวิตที่มันเที่ยงใช่ไหมไปสเสวยแต่สุขที่เป็นอมะตะอย่างเดียวเมื่อหลังจากตายไปแล้วพวกนี้ก็โดยมากก็เป็นประเภทอสะไรสตัตตตถิถิทั้งหลายแหละผู้ที่ยินดีในการตายแบบนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าคลั่งเชื่อว่า เขาเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วเขาจะต้องมีความสุขได้อย่างแน่นอนเนี่ยพวกนี้จะมาฆ่าตัวตายจะมาเผาตัวตายพร้อมกันหมดเลย น, นะสามารถทําได้เขานึกว่าการตายของเขาเนี่ยเป็นเหตุแห่งอมะตะสุขทีนี้พวกที่ยินดีในการเป็นอยู่ล่ะโดยมากพวกนี้คิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์เขาจะทํำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดที่จะสเสวยสุขได้มากที่สุดในในภพนี้ น, นะ คนประเภทนี้ส่วนหนึ่งยินดีในการเป็นอยู่ที่จะได้อยู่ต่อไปจะได้สเสวยกรมมาสุขต่อไปเราคิดว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกโดยมากศูนใช่หตวนี้ก็ต้องการความสุขในในภพนี้แต่แผ่ภารหัสนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นสักอย่างเลยใช่ไหมถ้าท่านไม่ยินดีในขันสักขันในภพทุกภพเลยไม่เพลิดเพลินในขันทุกภพภูมิเมื่อท่านไม่เพลิดเพลินในขันทุกภพภูมิ วัตถุ ข, ของท่านก็ก็ไม่มีถึงว่ารูปประคันของท่านเนี่ยนะถ้ามันตายท่านก็ไม่เดไปยินดีอะไรกับมันไม่มีฉันทราคะในรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันและก็สังขารขันไม่มีฉันทราคะเลยอันนะคำว่าฉันทราคะเป็นชื่อของสมุทัยสัตว์ใช่ไหมสมุทัยสัตว์ที่มีในขันทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสาหรับท่านถามว่าทาไมท่านจึงไม่ไม่ยินดีในฉันไม่มีฉันทราคะ ไม่เพลิดเพลินในขันทั้งหลายเหล่านั้นทําไมท่านจึงไม่เพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินในรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเลยทําไมท่านจึงไม่เพลิดเพลินเนื่องจากท่านนี้ใคร่ครวนขันทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่นะทําปริญญารอบรู้ในอุปาทานขันโดยจบสิ้นเชิงหมดแล้วแต่นี้ปริญญาเนี่ยนะทําปริญญามีกี่อย่างครูมิลาวัน สามอย่างนะั่นหนึ่งทยังไงญาตะปริญญ า, า, ญญาคื อ, อ, อการพิจารณาขันทั้งห้าเนี่ยนะพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็ขันที่ท่านพิจารณาก็ไม่ใช่ขันภายในอย่างเดียวใช่ไหมท่านพิจารณาทั้งขันภายในและขันภายนอกพร้อมทั้งปัจจัยเป็นอย่างดีทีนี้ถ้ารู้ขันทั้งภายในภายนอกเนี่ยนะจะรู้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นใช่ไหมฮทั้งการอ่ทั้งสามการใช่ไหม เนื่องจากท่านรู้ปัจจัยเป็นอย่างดีนี่แหละท่านจึงละวิจิกริชฌา16อย่างที่มีในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันได้หมดเลยท่านเลยไม่มีวิจิกริชฌาในการสเสร็จแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงเนี่ยนะตามเป็นจริงของขันทั้งหลายในการ3คือเหมือนกั น, ค, น, กนคือไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันท่านก็พิจารณาถึงเหตุให้ขันทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นนะนะ แล้วก็ความดับของขันทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันเหล่านี้เมื่อท่านไม่มีความกำหนัดในขันทั้งหลายเหล่านี้ขันทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเช่นไรก็ก็ตามที่มันเป็นไปเขก็เ้ามีอุปมาอยู่ข้ออุปมาหนึ่งที่ที่จะให้เห็นความยึดติดของรูปนามขันห้าของปุุชนทั้งหลายปุตุชนทั้งหลา ย, นลายนเนี่ย ก็บอกว่ายึดติดในขันห้าเหมือนกับบุรุษผู้หนึ่งมีพัญญาอันเป็นที่รักของเขาอยู่คนหนึ่งะนะเขากเา็เขาก็ยึดติดอยู่ในพัญญาของเขามากฉั้นพัญญาของเขาเนี่ยไปทําอะไรเนี่ยนะเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสีย ว, ว่างั้นเถอถ้าหากว่าพัญญาของเขาไปคุยกับชายอื่นเขาก็เครียดนะทำมาคุยดีกับเขาเขาก็มีความสุขเนี่ยนะลักษณะนี้ทีนี้ตอนหลังเขาก็เอ๊ก็บํารงเอาใจยังไงก็เอาใจไม่จบไม่สิ้น ท, ทีหนึ่งนะ ตอนหลังก็เลยอย่าขาดกันตอนหลังถ้าอย่าขาดกันโดยที่ไม่มีฉันธราคะต่อกันอย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะถึงพัญยาของเขาไปเกี่ยวข้องกับชายอื่นเขาก็เฉยเฉยันใดเนนะเขาก็วางใจอ่ะนะก็ของเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอะ่ะซึ่งเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่พัญญาเราอ่ะนะพระรหารทั้งหลายขั้นก็ลักษณะนั้นนะรูปนามทั้งหลายก็โดยทั่วๆไปก็จะยึดติดเหมือนกับพัญยาทั้งหลาย นนะั้นทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะพอท่านมีขันถึงขันมันจะป่วยท่านก็ไม่ได้ไปทุกข์อะไรกับมันถึงมันจะดีก็ไม่ได้ไปดีใจะอะไรกับมันเพราะว่าอย่าขาดจากกันแล้วไม่มีฉันธราคะต่อตอก ต, ต่อขันในทุกๆขันแล้วเนี่ยนะข้อความในกามะสุตานิเทศที่หนึ่งอนนะ้นในคัมภีร์มหานิเทศพูดถึงคําว่าพระอรหันต์เนี่ยนะว่า เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วเนี่ยนะท่านเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เราเรียนพุทธคุณบทว่าอารหังอยู่นะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคำว่าพรามเป็นชื่อของพระอารหรันต์พระอารหันต์นั้นถึงฝั่งด้วยการรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งนะแปลเป็นบาลีว่าอภินยะนยะเนี่ยนะพระอารหันต์เนี่ยถึงฝั่ง ปรารคูเนี่ um. ยเป็นผู้ถึงฝั่งด้วยการรู้ยิ่งถึงฝั่งด้วยการกำหนดรู้ถึงฝั่งด้วยการละถึงฝั่งด้วยการเจริญถึงฝั่งด้วยการทำให้แจ้งถึงฝั่งด้วยสมาบัติถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงด้วยการรู้ยิ่งผนธาหานรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทั้งปวงถึงฝั่งแห่งทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ ถึงฝั่งแห่งกิเลสทั้งปวงด้วยการละถึงฝั่งแห่งอริยมรรคทั้งสีด้วยการเจริญถึงฝั่งแห่งนิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งถึงฝั่งแห่งสมาบัติทั้งปวงด้วยการบรรลุอันพระอรหันเนี่ยรู้ยิ่งทั้งหมดเลยฮะอริยาศัสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะควรรู้ยิ่งท่านรู้ยิ่งหมดเลยทีนี้ในแยกย่อยมาในส่วนของทุกขศาตร์เนี่ยนะทุกขศาสตร์ควรกําหนดรู้ท่านถึงฝั่งแห่งการกําหนดรู้กําหนดรู้จบหมดแล้วเนี่ยนะ สมุทยรยศหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องละท่านก็ถึงฝั่งแห่งการละหมดเกลี้ยงแล้วนิโรธสัตว์ต้องทำให้แจ้งท่านก็ทำให้แจ้งหมดแล้วนะมกษัตริย์ต้องเจริญท่านก็ถึงฝั่งแห่งการเจริญหมดแล้วทีนี้ผลของการเจริญนั้นอะ่ะทำให้ท่านถึงฝั่งแห่งสมาบัติเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายปกติแล้วท่านมีอัธยาศัยน้อมที่จะเข้าพร ะ, ะสมมาบัติ การเข้าพระสมาบัตินั้นมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์ความที่ท่านมีอัธยาสัยน้อมไปในในการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแสดงคำให้พุทธบริษัทฟังเนี่ยนะให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยฟังเวลาสมมติว่าพระองค์เนี่ยเทศคือพระองค์รู้อยู่แล้วว่าจะต้องใช้คําเท่านี้ไปจนถึงตรงนี้อ่ะนะเมื่อคําเหล่านี้จบ ผพุทธบริษัทต้องอนุโมทนาอ่นนะระหว่างที่ฟังอนุโมทนาจะใช้เวลาสมมุติครึ่งวินาทีอย่างเงี้ยนะหรือหนึ่งนาทีระหว่างหนึ่งนาทีเนี่ยพระ อ, องค์เข้าพระสมาบัติก่อนหนึ่งนาทีแล้วออกมาแล้วค่อยเทศต่ อ, อางานนะคํานวณขนาดนี้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะจะต้องมีจิตอะไรขั้นในระหว่างนั้นระหว่างนั้นแล้วระหว่างนั้นจะเข้าอะไรได้บ้างแล้วคนทั้งหลายเขาจะคิดกันยังไงอ่นนะในระหว่างนี้เขาคิดยังไงแล้วระหว่างนั้นอนะ่ะรับรู้อารมณ์อะไรยังไงบ้างเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นท่านชํานาญมากในการเข้าพร ะ, ะสมาบัติน่ะ น, นะนะเพราะฉะนั้นวินาะทีสองวินาทีสามวินาทีานทั้นก็เข้าพระสมาบัติได้เนี่ยนะระหว่งที่แสดงคําเนี่ยบางทีเนี่ยบอโอ้สาธุสาธุพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาจะสาธุนะไม่ต้องให้โสตะวิญญาณของพระองษ์มาได้ยินเองเหรอกนะไม่ต้องไปรับทางปัญจทวารหมดเลยเพราะฉะนั้นมโนทวารหรือด้วยอำนาจอภิญญาทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าเออเขาจะอนุโมทนานะระหว่างนี้เข้าพระสมาบัติอยู่เพราะงั้น เพราะฉะนั้นเกิดมีบางท่านนึกตำหนพพิพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชอบคลุกคลีเหมือนกันเถอะไปที่ไหนก็มีประชาชนห้อมล้อมกลางคืนกลางวันก็มีเทวดาเป็นต้นเข้าเฝ้าอะนะดูเหมือนว่าพระพุทธเจ้าคลุกคลีมากเหลือเกินอย่างนั้นแต่ที่จริงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคลุกคลีไม่ใช่เลยอย่างนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมเสร็จเข้าพระสมาบัติสับอยู่อย่างนี้ตลอดโดยมากอันเมื่อทําอยู่อย่างนี้พระองค์ก็เลย อยู่กับเขาเหล่านั้นแต่สภาพจิตไม่ได้คลุกเคลียอะไรเลยเนี่ยนะตรงกันข้าม <c oughs> ยินดีในการเข้าอ่าเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นอา ร, รมณนาที่ปฏิปัจจัยของของพระอรหันต์ทั้งหลายนะคือนิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะเขาจะไม่มีสีเป็นอา ร, รมณนาที่ปฏิไปเพลิดเพลินในสีในเสียงในกลิ่นในรสในโภตภาพะไม่มีไม่เพลิดเพลินในสังขารเลย อรมมารมณนาทิปฏิปัจจัยสิ่งที่ทําให้ท่านทาให้หนักแน่นที่สุดคือนิพพานอย่างเดียวนี่นะนี่คืออัธยาศาัยของพระอรหันต์ทั้งหลายถามว่าทาไมท่านจึงเป็นแบบนั้น่ะท่านจึงยินดีเฉพาะในส่วนของนิพพาน่ะเพราะว่าท่านเห็นสังขารทุกสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงชำนานมากอ่นนะคล่องมากว่า ง, งั้นเถอะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในขันทุกขันเนี่ยง่ายมากอ่ะ น, นะ เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะไปเพลิดเพลินอะไรกับสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนะอย่างที่เมื่อคืนอ่าก็ในส ต, ติประฐานจะมีอยู่ข้อหนึ่งกว่าตาวะกาลิกะเนี่ยนะอาสามโมหะประเภทตาวะกาลิกะเนี่ยนะก็บอกว่าเออปัญจทวาราวชนะจกักขวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนะว่าถ้พระพร้อมทั้งสามปยุติธรรมมันก็เกิดมันก็ดับหมดแล้วพร้อมทั้งสามปยุติธรรมะนะแล้วไอ้ชาวนะจะโมเพลิดเพลินอะไรเ่ยนะมันก็แต่แตกดับไปเหมือนกันหมดนั่นแหละ ฉันในก็ดีผ้าทหารทั้งหลายท่านก็ใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้เป็นต้นอย่างชํานาญหมดแล้วจึงไม่เพลิดเพลินในในอุปาทานขันสักอันหนึ่งอนะเพราะขันทุกขันในทุกภพภูมิไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยไม่เพลินองนั้นเนี่ยและอย่างหนึ่งท่านเห็นโทษว่าถ้าเข้าไปเพลิดเพลินในขันเหล่านั้นอะเหมือนอะไรการเข้าไปเพลิดเพลินในขันทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษยังไงนะเขาบอกว่ามองเห็นเหมือนหลุมฐานเพลิงและฉันธราคะที่มีอยู่ใน ในขันทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะว่าถ้าเพลิดเพลินเมื่อไหรเนี่ยนะคือเหตุแห่งแห่งวัตถุทุกถ้าหากว่าไม่เข้าไปเพลิดเพลินล่ะถ้าความเพลิดเพลินดับอะไรดับอ่าตันหาดับไหมก็ละความเพลิดเพลินได้นะฮะทีนี้ต่อไปว่า พระรหันนั้นถึงความชํานาญนะถึงความสําเร็จในอริยะศีลเดี๋ยวนะอริยะศีลเนี่ยท่านชํานาญด้วยสําเร็จด้วยทําให้มีขึ้นได้เนี่ยนะคล่องแคล่วมากในอริยะศีลอันนั้นนึกถึงศีลได้อย่างคล่องแคล่วว่างั้นเถอะจิตเป็นไปกับศีลอย่างคล่องแคล่วนึกถึงศีลก็คล่องแคล่วจิตเป็นไปกับศีลก็คล่องแคล่วของเราเนี่ยนึกถึงศีคล่องไหมคุณวิลาวันอันะั อยังยังยังสะดุดสะดุดนะไม่เป็นไรถ้าต้องดูว่าเออคนที่เขาเรียนจบแล้วเขาคล่องมากเรื่องนี้นะสิกขาสามนี่เขาคล่องมากว่า ง, งั้นเถอะถึงความชำนาญถึงความสำเร็จในอริยะสมาธิในอริยะสมาธิเนี่ยท่านชำนาญมากค ล, คล่องแคล่วมากถึงความชำนาญถึงความสำเร็จในอริยะปัญญาอริยะปัญญาท่านก็ชำนาญและก็คล่องแคล่วถึงความชำนาญถึงความสาเร็จในอริยวิมุต สิ่งเหล่านี้ก็คล่องแคล่วแล้วก็ชำนานผ้าอรหันต์นั้นไปสู่ฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วไปสู่ส่วนสุดแล้วถึงส่วนสุดแล้วไปสู่ที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วไปสู่ที่สุดรอบแล้วถึงที่สุดรอบแล้วคำว่าที่สุดรอบทั้งหมดหลังนี้โดยมากเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของนิพพานเน่นะ ท่านไปสู่ความสําเร็จแล้วถึงความสําเร็จแล้วไปสู่ที่ป้องกันแล้วถึงที่ป้องกันแล้วไปสู่ที่รับแล้วถึงที่รับแล้วไปสู่ที่พึ่งแล้วถึงที่พึ่งแล้วไปสู่ที่ไม่มีภัยแล้วถึงที่ไม่มีภัยแล้วเนี่ยนะไปสู่ที่ไม่จุติแล้วถึงที่ไม่จุติแล้วไปสู่ที่ไม่ตายแล้วถึงที่ไม่ตายแล้วไปสู่นิพพานแล้วถึงนิพพานแล้ว เพราะว่าพระอรหันต์นี่เป็นผู้ที่ข้ามพ้นถึงฝั่งแล้วก็ยืนอยู่บนบกใช่ไหมบกในที่ว่าคือนิพพานนั่นเองอะนะ <c oughs> เขาพูดถึงว่าฝั่งในเนี่ยนะฝั่งฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งโน้นฝั่งนี้ซึ่งยังมีจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะฝั่งที่ยังมีจุติและปฏิสนธิเนี่ยจุติปฏิสนธิเป็นชื่อของอะไรอะไรจุติอะไรปฏิสนธิ <c oughs> อัะนนะ่ะ ก็อุปาทานขันท่าเนี่ยนะยังต้องมีจุติและปฏิสนธิยังมีตายมีเกิดอยู่อีกเนี่ยนะในอุปาทานขันพราพั้นจึงนับว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเป็นฝั่งที่ยังมีจุติและปฏิสนธิจุตินี้เป็นชื่อของชราและมรณะเนี่ยนะโดยตรงๆก็คือมรณะถ้าพูดมรณะชราเท่ากับแสดงด้วยก่อนที่จะมาชราและมรณะก็คือปฏิสนธิปฏิสนธิและจุติปฏิสนธิจุติก็หมุนไปอย่างเนี้ย นะระหว่างนี้ก็มีชราเนี่ยมาขั้นอยู่ขั้นอยู่ระหว่างปฏิสนธิและมรณะเอขอไปเออนะ่มรณะหรือจุติถามว่าชรามาขั้นอยู่กี่ปี แล้วแต่ใครนะบางครั้งบางคนก็ปฏิสนธิได้ชั่วโมงหนึ่งอ้าวตายแล้วจุติแล้วงั้นก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะร้อยปีเนี่ยนะหรือบางท่านก็อาจจะพันปีหรือหมื่นปีหรือก็เป็นกลับไปอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ใครทิ้งอันนั้ทั้งหมดนั้นเขาเรียกว่าชราอันนดำรงอยู่นานขนาดไหนก็เรียกว่าชราเนี่ยนะชราปกปียดหรือว่าชราเปิดเผยเท่านั้นเองถ้ามนุษย์ทั้งหลายก็ชราเปิดเผยใช่ไหมแต่ถ้าเทวดาทั้งหลายก็ชราอาจจะปกปิดไปเนี่ยนะ ปฏิชันนาชราอปติชันนาชราทั้งหลายเนี่ยแต่ก็คือชราเหมือนกันเนี่ยนะก็มีจุติและปฏิสนธิถ้าจุติและปฏิสนธิเนี่ยแสดงว่าพูดถึงปัจจุบันคือผลได้แก่ coat, จุติและปฏิสนธิแล้วเหตุแห่งจุติและปฏิสนธิล่ะอะไรเป็นเหตุแห่งจุติและปฏิสนธิอันนะอวิชชาตันหาก perhaps, รรมเนีย่ยนะกิเลสทั้งหลายทุจริตทั้งหลายกรรมทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุแห่ง จุติและปฏิสนธิเนี่ยนะผลบุญเนี่ยจุติไหมถ้าจุติก็แสดงก็ของเรานี่ยแหละผลบุญอ่ะแสดงว่าจุติเมืออกันเะนี่ยนะที่เป็นอยู่นี่ก็ผลบุญเั้นผลของบุญเนี่ยจุติและปฏิสนธิเนื่องจากมีเหตุเนี่ยนะเพราะฉั้นระหว่างจุติและปฏิสนธิทําเหตุอยู่ตลอด <c oughs> เพื่อจุติและปฏิสนธิอันต่อไปอัน น, นจุติปฏิสนธิทําเหตุอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพระองค์ไครครวญว่า ชราเอ๋อโลกเนี่ยนะอันชราและมรณะเนี่ยท่วมทับครอบงำหนอเหมือนกันเถอะอะไรล่ะเป็นเหตุแห่งชราและมรณนะก็คือจุตินั่นแหละขอไปปฏิสนธินั่นแหละเป็นเหตุแห่งชราและมรณนะเอาแล้วชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยล่ะมีปฏิสนธิปฏิสนธิมีอะไรเป็นปัจจัยก<ำ>็มีกรรมมีกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยใช่ไหมกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีกิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยอ๋อนะกรรม เป็นปัจจัยจึงมีกิเลสกิเลสก็เป็นปัจจัยจึงมีจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะก็อยู่อย่างเนี้ยชีวิตก็เป็นไปอยู่แค่เนี้ยอันนี้เป็นฝั่งถามว่าถ้ามองโดยองค์รวมมองอย่างตลอดสายถามว่าน่ากลัวไหมเงี้ยนะก็น่ากลัวใช่ไหมสิ่งเราเนี้ยเพรา ะ, ะท่านไม่ยินดีในสิ่งเหล่านี้เลย น, นะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จีรังยั่งยืนไม่มีแม้แต่อันเดียวอ น, นะท่านก็เลยเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะ ก็ถึงบทอันไม่ตายเนี่ยนะถึงบทอันไม่ตายก็คือพระนิพพานเนี่ยนะแต่ว่าพระนิพพานคืออะไรคือความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกําหนัดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะต้องวิราคะในสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่คลายกําหนัดแล้วก็ยากนะต้องเห็นโทษของขันทุกขันแล้วก็ในทุกภพภูมิจริงๆซึ่งคนที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นแหละจึงจะบอกถูกว่าอารมณ์นั้นอนะ่ะประณีตขนาดไหนดีแค่ไหนแต่ก็บอกว่า พระพุทธทั้งหลายยกย่องพระนิพพานว่าดีจริงๆนะพุทธทั้งหลายนพุทธทั้งหลายเขายกย่องว่า น, นิพพานเนี่ยดีจริงๆพุทธะนี่มีเท่าไหร่พุทธะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆมีสามเห็นไคือสาวกกับพุทธะปจเจกับพุทธะและสัมมาสัมพุทธะพุทธะทั้งหลายเหล่านี้ท่านยกย่องว่า น, นิพพานเนี่ยดีจริงๆสงบจริงๆนยะ แต่ว่าพวกที่ไม่ใช่พุทธะทั้งหลายโอ้ยยังไม่อยากลิพานเนาะคาว่างั้นบางเออบางคนนี่ก็บอกงี้เลยนะเกาบอกไม่มีธุระคำว่างั้นัอนธุระเขานุ่นต้องประชุมสภาอะไรแล้วแต่นะั้นเนี่ยเขานั่นค่ะธุระของเขามันก็บอกว่าถ้อยคําของคนพานเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับของพระอริยะทั้งหมดนะนะเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันอยู่ตลอดนะนะก็พระอริยะบอกไม่เที่ยงอะ่ะเขาเที่ยง อนุภาพิรยาบอกเป็นทุกข์เขาแหมสุขนะคำนั้นบอกมันเป็นอนนาตาเขาบอกอัตตามันก็เห็นตรงข้ามกันหมดเลยเนี่ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะจุติและปฏิสนธิเนี่ยก็จะปั่นหัวจนมันจะสํานึกหรือเปล่ากันนั่นเนี่นะบางทีถูกปั่นมากขนาดจะเรียกว่าทุกข์ถึงขนาดในอบายก็ยังไม่ได้กลัวอะไรเลยนะตกอบายแล้วก็เออหวังจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์มาทําอะไรอีกเอา คงรู้สึกตัวตอนที่ใกล้ๆกังหวานั้นทุกคนกูจะรู้สึกออรู้สึกถึงว่าจะต้องไปไม่ดีเนี่ยก็หน่อยเดียวเนี่ยนะคือวิปปติสารจะเกิดตรงนั้นหน่อยหนึ่งอกุศลจิตจะไปเดือดร้อนตรงนั้นหน่อยหนึ่งแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ไม่มีสุตตะเป็นต้นเนี่ยนะถึงเดือดร้อนมันก็ไม่รู้จะแก้อะไรเนี่ยนะเหมือนกับคนที่สำนวนนะนักเล่นการพานันทั้งหลาย เมื่อเสียการพนันทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยนะสำนึกบ้างว่าไม่น่าเลยแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าวิธีออกทางออกเป็นต้นเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้ผู้ที่ทําทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนีย่ยพ อ, องตัดว่ายิ่งกว่าผู้ที่เสียการพนันนักลังนั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะบาปรกรรมทั้งหลายหรือบาปธรรม ท, ที่เขาทำมามาปรากฏช่วงนั้นหมดเลยเขาก็จะเดือดร้อนใจว่าความชั่วเขาทํามาหนอ ความดีเขาไม่ได้ทำไม่เนาะก็พอจุติไปแล้วก็จบกันนะไอ้คาว่าจบเนี่ยนะหมายว่าถ้าไปเกิดในอวัยไม่มีโอกาสชิดแบบนี้อีกแล้วไม่มีโอกาสมาเดือดร้อนอย่างนี้แล้วนะถ้าไปเกิดในไข่อย่างงี้ก็ โ, โหกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวเงี้ยก็อีกนอนนะนะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านก็ว่าไปนะแต่ถ้าไปเป็นปลาก็อยู่เป็นไข่ปลาไปเป็นมนุษยก์ก็โอ้เป็นนอนอยู่ในครันอีกเมินไงก็กว่าจะคลอดออกมาอีก ผู้ที่ไม่ได้สุตตาอย่างที่ท่านว่าเนี่ยเขาจะมองอะไรที่เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ว่าเรื่องของความทุกข์เนี่ยอธรรมดาใช่มฮะเจนน่าเขาจะไม่นึกถึงนะครับว่าเป็นไข่ปลาไข่อะไรเขาจะไม่ไม่รู้สึกจริงจริ ง, ง เ, มเมื่อเมื่อสองวันมาแล้วนี่พักพวกกันมาที่บ้าน <laughs> เขาบอกว่าโอ้โหนี่อยู่ได้ยังไงเนะี่ยที่บ้านผมเนี่ย <laughs> มันเนียมันโอ้เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้อะ เพราะว่าความไปอยู่ของเขาเนี่ยเขาจะต้องเจ็ดวันอยู่กรุงเทพเจ็ดวันไปอยู่พัทยาเจ็ดวันไปภูเก็ตเพราะฉะนั้นผู้ชมอยู่ยังไงเนี่ยม<บอ>ผมอยู่สบายนะเนี่ยอยให้ผมอย่างไปที่อย่าง ค, คุณพัทยาเจ็ดวันผูเก็ตเจ็ด7 7วันนี้ผมก็ไปไม่ได้ไงใช่เพราะฉะนั้นผมจึงว่าอย่างที่ท่านว่าเนี่ยผู้ที่ไม่ได้ฟังเนี่ยคุยกันคนละอย่างไงครับใช่ คือเอานะ่พูดถึงไอ้สิ่งที่มันมันตรงกันข้ามกันนะไม่ต้องถึงฟังอะไรหรอกก็ของมาเนี่ยศึกษาธรรมะแค่นี้เนี่ยนะคนทั่วๆไปนะเขาจะไปเจอใครเนี่ยเขาจะมีความสุขที่จะได้ไปเจอกันใช่ไหมแต่ไปเจอใครสักคนเนี่ยส่วนมากโอ้ดีนะจะได้เจอเพบปะคนนั้นคนนี้ของเราเนี่ยมันทุกข์ว่าจ ะ, จะต้องเจอคนอีกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้ต้องไปคุยอีกแล้วนี่ยอันนี้เป็นความทุกข์ของเราเนะ่ยโอ้โหนี่ถ้าคุยไม่ดีแนละ้วว่าจีทุ่งเจ็ดอย่างนั้นเนี่ยเสียอีกแล้วบาปกรรมอีกแล้วไง นะใครโอ้เรงตรงเันข้าวกันตั้งหลายเรื่องละถ้าเขาไปเจออะไรเนี่ยนะ เ, ยเจอถ้าเป็นอากุศลเราก็เดือดร้อนอีกแล้วเออปล่อยให้จิตเป็นบาปอีกแล้วนะเนี่ยว่า ง, งั้นมีโทษแต่กําลังนึกนะว่านี่เป็นเป็นธรรมชาติของโลกจริงๆอนะถ้าโดยผู้ที่เจริญการุณามากๆรูเนี่ยนะรูปขันเวทนาสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขันทั้งหลายส่วนที่เป็นวิบากและกรรมชรูปเนี่ยนะ สิ่งเหล่านี้ที่สุดของสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือชราและมรณะเนี่ยนะระหว่างชราและมรณะก็มีโรคเป็นต้นเนี่ยกลุ่มรุมอยู่ตลอดเวลาแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อมีอุปาทานนักขันแบบนี้เกิดขึ้นมาอุปาทานนักขันส่วนหนึ่งเนี่ยทำกายวิญยัติออกมาถ้าอากุศลเกิดก็เป็นกายทุจริตไปเนี่ยนะถ้าพูดออกมาก็เป็นวจีทุจริตไปนึกคิดก็เป็น มโนโทเจริญไปเนี่ยนะก็ทําเหตุใหม่ที่ที่ไม่ดีให้แก่ตัวเองไอ้ขันทั้งหลายก็จะแตกดับจะแตกทําลายไปไม่รู้กี่กี่วันข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะซึ่งขันทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลของบุญจะเพลิดเพลินกันกนักหนานะเหลืออีกหน่อยเดียวเท่านั้นเองก็พูดถึงในในพระตไตรปิฎกเนี่ยนะพูดถึงเทวดาอ่ะนะนางฟ้าท่านหนึ่งที่จุติ ในระหว่างที่ไปเก็บดอกไม้เนี่ยนะกำลังเก็บดอกไม้อยู่ก็นางฟ้าคนหนึ่งก็เก็บไปจุติเลยจุติก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ระลึกชาติได้ว่าตัวเองเนี่ยจุติมาจากดาวดึงมาเนีย่ยนะกำลังไปเก็บดอกไม้ประดับสามีอยู่นะก็จุติมาพอจุติแล้วก็ทําบุญแล้วก็คิดถึงสามีอยู่ตลอดนั่นแหละก็เลยทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ไปเกิดในสํานักของสามีนะเพราะฉะนั้น พอทําตัวในลักษณะนี้เขาเลยเรียกว่าญิงบูชาผัวนะปฏิปูชิกานะหญิงบูชาผัวก็ทําบุญอย่างเงี้ยห้าสิบปีแล้วก็ตายเนี่ยนะห้าสิบปีตายพอห้าสิบปีตายก็ไปปฏิสนธิแถวนั้นนี่แกปฏิสนธิเทวดาก็เลยถามว่าอา้าเธอไปไหนมาฉันไม่เห็นตั้งครึ่งวันเหมือนกันอนะันนไม่เห็นครึ่งวันก็บอกไปเกิดมาเขาว่างั้นไปเป็นมนุษย์ตายมาไปเป็นมนุษย์ อ้อยจริงเหรอเอ๊ะทำไมมันแป๊บเดียวไปเกิดเป็นมนุษย์มา ย, ยัางไงแป๊บเดียวกระทำเออแล้วมนุษย์ยุคนี้อายุเท่าไหร่กันร้อยปีเขาว่าเออแค่นี้เหรอเขาบก็ทําไมจริงเขาว่าแค่นี้นะเพราะว่าเท่ากับวันหนึ่งของเขาอนะของดาวพฤหัสเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของมนุษย์เท่ากับร้อยเอ่อร้อยปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวพฤหัสแล้วอ่ะอย่างเงี้ยสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีเนี่ยนะเขาอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งพันปีทิศ ก็ประมาณสามสิบหกล้านปีมนุษย์เนี่ยนะสามสิบหกล้านปีของเราเฮ้อร้อปีแค่เนี้ยเลยเขบาบอกงั้นโคสังเวชใจมากอ้าวแล้วร้อยปีเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงอ่า น, นะก็เราถา ม, มาดูว่าอัทยาสายของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอายุเขาสั้นขนาดเนี้ยเขาคิดยังไงกันเขว่ากเขามีเขาคิดว่าเหมือนเขาอยู่อาศงไขไปเองงั้นอ่ะนะนะ เมือ่อสองไข่ปีก็คือประมาณสักเลขหนึ่งมาตั้งเลขศูนย์ห้อยท้ายร้อยสี่ิบตัวน่ะประมาณเขาคิดเหมือนอายุยืนขนาดนั้นแหละว่างั้นก็ถ้าเราไปดูพวกมแมลงทั้งหลายมันก็มีความสุขแบบมแมลงนะเจ็ดวันเองอะนะแบบยุ่งอะนะมันก็สนุกแบบยุ่งไปนะันชีวิตของมนุษย์ก็เป็นลักษณะนั้นก็ประมาทจริงๆอันนี้ผลของบุญนะเมื่อหมดผลบุญแล้วอ่ะเขาจะไปไหนต่อถามว่าเขาทําเกาะทําที่พึ่งทําอะไรให้แกตัวเขาเองไหมว่าพอที่จะอุ่นใจ ไม่หลงทำกาละในเวลาใกล้ตาเนี่ยนะเรียกว่าอาสัมมุนโกาลังโกรโติเนี่ยนะเวลาใกล้จะตายจะไม่หลงตายเนี่ยเป็นยังไงถามว่าคนหลงตายเป็นยังไงคนหลงอยู่นะก็คือคนลืมอะลืมตายนี่เป็นยังไ ง, มงไม่ใช่จะต้องตายแต่ว่าหลงตายไอ้คาว่าหลงตายเนี่ยพูดแบบแปลเป็นไทยว่าลืมตายแต่ว่าลืมตายไม่ใช่ว่าไม่นึกถึงอะไรนี่ไม่ใช่นะลืมตายแปลว่า หลงตายเนี่ยนะแปลว่านึกถึงความดีอะไรไม่ได้สักอันหนึ่งเลยอะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนหลงตายถ้าคนไม่หลงก็คือนึกถึงสุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งในสุจริตสามได้ระหว่างตายใกล้จะตายเนี่ยนะคนนี้เรียกว่าไม่หลงตายอันโดยธรรมดาทั่วๆไปก็หลงตายเพราะหลงตายเป็นไงก็ร้องรลังลงมกันอยู่ในป่า น, นั่นแหละ ก็จากพัทยานี่นะถ้าเราคิดไปเนี่ยนะมีท่อ น, น้ำเสียไหมโอ้โหยุงเพียบเลยเราพูดถึงท่อนนะ <c oughs> เมือวันก่อนชมดูทีวีนะนอกเรื่องหน่อย <c oughs> เรือที่เขาไปเจ็บจับปลานะท่อใหญ่ประมาณเนะม็ดเม็ดกว่ากว่านี้นะไม่ใช่น้ำไหลนะครับปลานะ <c oughs> ปลาเป็นตัวตัวเนี่ยออกจากปาก ท, ท่อมันโดดจาก น, นทะเลขึ้นมาใส่ในท้องเรือ ไหลมันก็ไหลน้ําน้ําไหลเลยครับโผล่โผล่โผตึ้งตัวตัวเนี่ยแต่ละแต่ละตัวนี่ในคลองมันไข่เท่าไหร่ไข่เท่าไหร่แล้วที่มันไหลเลยนะครับไหลเป็นน้ําเลยครับเจนนารโหมันปลาแลเนี่ยเจนทารใช่ไหมถ้ามันเยอะแค่ไหนก็แค่แค่ทะเลน้ําจืดเนี่ยนะทะเลสาบของกระเม็นที่เราไปนะปลาก็ตากเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปพลินเป็นปลาเป็นอะไรแล้วก็อันนี้หมดสิทธิ์เลยกันนี่อันะี ไม่รู้จะไปกู่กันตรงไหนเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเสียงร้องของพระอรียาเจ้าทั้งหลายเลยนี้ทางบุญอย่างนี้นะไม่ได้ยินแล้วกันนี้เพลินหมดเลยเนี่ยนะไ อ, ไอสัตว์บบกเ น, นี่ยยังมีโอกาสอย่างหมาอย่างแมวเนี่ยนะอยามางวาัดไอที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับตัวเล็กๆที่เป็นคล้ายปลาคล้ายต้นไม้คล้ายอะไรเนี่ยมีชีวิตทั้งนั้นเลยสัตว์ในในทะเลนี้ เยอะเหลือเกินตังนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะมหาศาลมหาศาลจริงๆทีนี้พูดถึงพระอรหันต์ต่อไปอีกหน่อยว่าพระอรหันต์นั้นอยู่จบแล้วคำว่าจบในที่นี้จบอะไรจบพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์เป็นชื่อของอนะพรหมจรรย์เนี่ยคือแบ่งออกเป็นสองใช่ไหมหนึ่ง าศาสนาพรมจรรย์กับมรรคมจรรย์เนี่ยนะศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยท่ารหัต์ทุกๆองนะถ้าอ่านเทระกถากขาบอกคําสอนของพระพุทธเจ้านะเขาศึกษาจบแล้วเขาทําจบแล้วนี่นะเขาเขาปฏิบัติตามอย่างที่พระ อ, องค์ว่าเนี่ยจบหมดแล้วทั้งในข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที่ว่าข้อปฏิบัติสิกขาเบื้องต้นเนี่ยนะจนถึงสิกขาอันมีในที่สุดสิกขาอันมีในที่สุดคืออรหัตตผลอรหัตตมัคสิกขาเนี่ยนะ ขณะที่อรหัตตมรรคเกิดเนี่ยเป็นสิกขาขณะนั้นก็เกิดขึ้นพออรหัตผลดับพระบอกว่าท่านจบหมดแล้วเนี่ยนะในการศึกษาเพราะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็น้อมไปเพื่อถึงสิ่งนี้นะท่านก็จบหมดแล้วแต่ทีนี้เมื่อท่านจบแล้วท่านก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปเที่ยวเทศอะไรจะต้องไปฟังให้มันมากเรียนให้มันมากไปเที่ยวบอกเที่ยวสอนคนอื่นอะไรเนี่ยนะท่านก็บอกแค่นั้นท่านก็เพียงพอแล้ว ทีนี้ถ้าโดยเฉพาะสมัยท่านเนี่ยนะก็บอกเขไปฟังเอาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะแนะนําให้ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเพราะฉะนั้นท่านก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปฟังเทศไปอะไรไปแต่ท่านก็จบหมดแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์มีพระอรหันต์เป็นบริวารนะนีพระอรหันติดตามไปเนี่ยนะสมมุติเราไปหนึ่งพระองค์หนึ่งรูปพระภิกษุหนึ่พันรูปอรหันตั้งนั้นเลยทาไม่ใช่อรหนันบางช่วงมีพระอนุนไปด้วยองค์เดียวที่นั้นที่ไม่ใช่พระอรหนันต์ นะคือพระ อ, อนุนองค์เดียวเนี่ยนะนะที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะน้อยที่สุดโสดาบันเนี่ยนะอย่างในเมืองเวรันชาที่จําพรรษาเนี่ยนะที่ข้ายากหมากแพงเนะี่ยพิสูจน์ห้าร้อยรูปเด่นะในนั้นเนี่ยพระ อ, อนุนเป็นพระโสดาบันอยู่รูปเดียวนะโดยทั่ ว, วไปผ้าละหันหมดเลยอย่างวันประชุมทำจตุรงคสานนิบาศเนี่ยนะประชุมประกอบไปด้วยองค์สี่ที่สวดโอวาทปาติโมกตอนนั้นก็มีแต่ผ้าละหันอย่างเดียวเนี่ยนะ ท่านเหล่านั้นก็ติดตามฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดเนี่ยแหละแต่ว่ากิจของท่านจบแล้วถามว่าท่านฟังทําไมก็ฟังเพื่อปิติปราโมทย์เพื่ออยู่เป็นสุขเพื่อทิฏธรรมะสุขาวิหารและก็อย่างหนึ่งท่านเป็นผู้ที่สํานึกในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากท่านอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านมีความสุขอย่างนั้นเถอะมันสปายะเยอะออยู่ใกล้พระพุทธเจ้าได้สปายะจริงๆก็จะติดตามพระองไปเรื่อยๆนะ เว้นแต่บางช่วงก็ดูเอ๊ะจะวุ่นวายท่านก็หลีกเลนไปอะไรไปเพราะฉะนั้นท่านอยู่จบแล้วมีจารณะมีทางไกลอันถึงแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าทางไกลคืออะไรทางไกลคือสงสารเนี่ยนะสังสาระเนี่ยนะเป็นเป็นชื่อของทางไกลมันไกลจริงๆ <c oughs> ถามว่าไกลแค่ไหนอะ่ะก็ยังนึกไม่ออกว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ขันธาตุอายตนะเนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะ แล้วจะไปจบที่ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นถามว่ามันไกลขนาดไหนอ่านะเพราะฉะนั้นบอกว่ามีทางไกลอันถึงแล้วก็คือหมดทางไกลสักทีหนึ่งอ่านะเพราะตัดคำว่าตัดเส้นเส้นทางแห่งสังสาระออกไปมีทิศอันถึงแล้วเนี่ยนะทิศอันถึงแล้วหมายถึงอมตะมีที่สุดอันถึงแล้วมีพรหมจรรย์อันรักษาแล้วมีทิฏฐิอันอุดมเนี่ยนะทิฏฐิอันอุดมก็คือระดับอรหัตผลทิฐินั่นแหละอุดม มีมัชอันเจริญแล้วเนี่ยนะมีกิเลสอันละแล้วมีการแทงตลอดไม่ได้กำเริบเนี่ยนะอะกุปปาเจโตวิมุตเนี่ยนะหรือว่าอรหัตผลของท่านเนี่ยไม่กำเริบถามว่าทำไมไม่กำเริบเพราะไม่มีที่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วให้กำเริบใช่ไหมถ้าโสดาปฏิผลยังกำเริบไปเป็นสกะทาคามีใช่ไหมยังยังต้องกำเริบขึ้นไปเรื่อยๆนะคือมีอย่างอื่นที่ดีกว่าก็เลยยังนับว่ายังกำเริบอยู่ แต่อรหัตผลไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านเลยมีการแทงตลอดที่ไม่ได้กำเริบเลยมีนิโรธอันทำให้แจ้งแล้วเนี่ยนะมีทุกอันกำหนดรู้แล้วมีสมุทัยอันละแล้วมีนิโรธอันทำให้แจ้งแล้วมีมรรคอันเจริญแล้วมีธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะได้รู้ยิ่งแล้วมีธรรมะที่ควรกาหนดรู้อันกาหนดรู้แล้วมีธรรมะที่ควรละ อันละได้แล้วมีธรรมะที่ควรเจริญอันเจริญแล้วมีธรรมะที่ควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งแล้วธรรมะห้าคำเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ใช้มากจริงๆเลยห้าคำนี้คือหนึ่งอภินญยยธรรมสองปริญญยธรรมสามปหาตประธรรมสี่สัจจิกาตประธรรมห้าพาเวตประธรรมเนี่ยนะธรรมะห้าคำนี้เป็นธรรมะที่ใช้มากที่สุดเนี่ยนะเพราะว่า แม้แต่สุตตะมายญาณขึ้นต้นก็ขึ้นต้นด้วยธรรมะเหล่านี้ก่อนนะเนี่ยในสุตตะมายญาณยาหรือแม้ในถ้าสุตรสูตรเนี่ยนะคำพีใดก็ตามที่เป็นคำพีของพระสารีบุตรเน้นมากธรรมะห้าคำนี้เนี่ยนะเน้นห้าคำมากรู้ยิ่งกำหนดรู้ละทำให้แจ้งเจริญเนี่ยนะห้าคำนี้ใช้มากจริงๆเลยและอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าแม้แต่สุตตะมายญาณเบื้องต้นก็ฟังสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ทำกิจเหล่านี้จบหมดแล้วนั่นเองนะจึงไม่มีความแตกต่างกันเลยพระอรหันต์นั้นมีอวิชชาเป็นดุดลิมสลักอันถอนเสือแล้วเนี่ยนะก็ถ้าถ้าเราพูดถึงเมืองอยู่เมืองหนึ่งเนี่ยนะเมืองอยู่เมืองหนึ่งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบหมดเลยมีประตูแล้วก็มีลิมสลักหรือกรอนอะนะกรอนประตูแล้วก็รอบนอกก็มีคูเมืองอ่ะ ภูเมืองก็คือร่องน้ํานอกเมืองอะนะอันนั้นมีเสาระแนบมีบ้านมีเมืองแล้วก็ในเมืองนี่มีธงอยู่เมืองอยู่ธงอันหนึ่งเห็นไหมยกขึ้นไว้เนี่ยนะทีนี้ไอเมืองอันนี้ก็คือเป็นเมืองของวัดป่ว่างั้นเถอะท่านบอกว่าเมืองอันนี้มีอวิชชาเนี่ยเป็นลิ่มสลักถอดแล้วก็คือถอดกรอนละนะไขประตูเรียบร้อยแล้วอันนั้นหมายนี่ก็ไขกุญแจใช่ไหมเอออวิชชานี่ยแหละเหมือนกุญแจว่างั้นเถออันนี้ไขเรียบร้อยออกแล้วมีกรรม เป็นคูอันกำจัดเสียแล้วเนี่ยนะคูเมืองอ่ะนะก็คือรอบเมืองอ่ะที่มันมีน้ําเนี่ยนะอันนี้เป็นคูเมืองคลองรอบเมืองอ่ะนะคูอันนี้ท่านก็ทําลายหมดแล้วอันนะกําเนี่ยเหมือนคูเมืองอันนะอวิชาเป็นเหมือนริ่มสลักมีตันหาเป็นเหมือนเสาระเนียรอันถอนแล้วเนี่ยนะกำแพงเมืองอ่ะนะกำแพงเมืองสมัยก่อนโซนหนึ่งก็เอาไม้มาปักปักปักปักปักอันนะ้นั่นแหละเหมือนตันหาเหมือนเสาระเนียรอันนั้นก็ทําลายเรียบร้อยแล้ว มีสังโยชน์เป็นบานประตูเนี่ยนะไม่มีสังโยชน์เป็นบานประตูที่ปกปิดอีกต่อไปเนี่ยนะทำลายประตูนั้นแล้วเป็นผู้ไกลาจากฆ่าศึกอันเป็นกิเลสเนี่ยนะมีมานะอันเป็นธงให้ตกไปแล้วเนี่ยธงที่ชูประจำเมืองเนี่ยนะมานะเนี่ยทำลายแล้วมีภาระอันปลงแล้วภาระในที่นี้คือขันธภาระเนี่ยนะ ถามว่าพระอรหันเนี่ยปลงขันทพาระเนี่ยปลงยังไงทั้งๆั้งที่ท่านก็ยังยืนเดินนั่งนอนยังบริโภคยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่เนี่ยท่านปลงพาระของท่านยังไงปลงตรงที่ว่าถ้าขันอันนี้แตกทําลายไปท่านไม่ถือเอาขันอันใหม่อีกต่อไปเนี่ยชื่อว่าเป็นการปลงของท่านนะท่านไม่ไม่ต้องเอาไปแบกอัดขันอันใหม่อีกเลยไม่ต้องไปรองรับขันอันใหม่ในภบใดเลย มีโยคากิเลสอันไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วนะธรรมชาติของโยคามีสี่ใช่ไหมอ๋อโยคานี่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องหรือเป็นเครื่องประกอบอัะนะหนึ่งกามโยคะประกอบด้วยอานาจของกามสองทิฏฐิโยคะประกอบด้วยหน้าของทิฏฐิสามอัะนนะวโคะเนี่ยนะประกอบไว้ในภพแล้วก็สุดท้ายอาวิชายาโยคะเนี่ยนะท่านไม่มีโยคะเหล่านี้เลยในทุกอารมณ์บังนั้น มีองค์ห้าอันละเสียแล้วคือละนิวรห้าหมดแล้วประกอบด้วยองค์หคือมีฉลังคู่เปขาเนี่ยนะมีชลังคู่เปขาในทุกอารมณ์คือมีสติสัมปชัญญะในทุกอารมณ์เนี่ยนะมีสติเป็นธรรมะเครื่องรักษาอย่างเอกมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยสี่อย่างคือเช่นท่านพิจารณาโดยแยบคลายและจึงเสพเนี่ยนะเช่นปัจจัยสี่เนี่ยนะท่านไข ค, ควรหมดจึงใช้สอยเป็นต้นมีทิฏฐิสัจจะ เฉพาะอย่างอันละเสียแล้วเนี่ยนะไอ้พวกลทัทธิที่ว่าอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่เป็นต้นอทิฐิเหล่านั้นท้าวทหารละหมดแล้วมีการแสวงหาอันชอบไม่หย่อนประเสริฐหมายคําว่าท้าวทหารทั้งหลายจะไม่ประพฤติอเนศนากรรมไม่หลอกลวงใครไม่อะไรสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ประพฤติมิจฉาอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งแม้กระทั่งพูดเรียบเคียงเพื่อลาบเป็นต้นท่านก็ไม่ทํามีความดําริไม่ได้ขุนมัว อันนนะความรำรีขุนมัวนี่ความรำรีสามอย่างนะที่ขุนมัวหนึ่งกามาวิตกนี่ก็ขุนมัวสองพยาบาทวิตกก็ขุนมัวอันนะวิหิงสาวิตกก็ขุนมัวจิตของท่านไม่ขุนมัวแม้แต่นิดเดียวอนนะั้ไม่แอ บ, บคิดอกุศลแม้แต่หน่อยเดียวมีกายยะสังขารอันระงับแล้วมีจิตหลุดพ้นแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีความบริบูรณ์ มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วโดยเฉพาะมรรคพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นอุดมบุรุษอุตมะเนี่ยแปลว่าสูงสุดอ่ะนะเป็นบุรุษที่สูงสุดเป็นประมาบุรุษประมาเนี่ยแปลว่ายอดว่า ง, งั้นเหรอยิ่งว่างั้นเหรยิ่งหรือยอดอ่ะนะประมาบุรุษเป็นบุรุษที่ยิ่งยวดว่างั้นถึงถึงความมลุปรมาทะประมาถะเนี่ยแปลว่าประโยชน์ที่ยิง่งประโยชน์ที่ยิ่งคือนิพพานเพราะฉะนั้นท่านถึงปรมาทะ เนี่ยนะคือพระนิพานแล้วพระอรหันต์นั้นม ไ, ไม่ได้ก่ออะไรม่ได้ก่อเลยนะนะไม่ได้ก่อพพก่อชาติมิได้กำจัดกำแพงคือตันหาเสาละเนีย่นนะจัดตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะพระอรหันต์ไม่ได้ละพระอรหันต์นี่ไม่ต้องละกิเลสเลยนะพระอรหันต์ไม่ต้องละอีกเลยเพราะท่านละหมดแล้วไม่ได้ถือมั่น น, นะะไม่มีอุปาทานในอารมณ์สี่ ละแล้วจึงตั้งอยู่หมายความว่าท่านเคยละเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะที่ดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่แบบคนทากิจเสร็จแล้วมิได้เย็บมิได้ยกเย็บแล้วจึงตั้งอยู่มิได้ดับมิได้ให้ลุกดับแล้วจึงตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นผู้ประกอบด้วยศีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันซึ่งเป็นอเสขะ ขันทั้งหลายเรียว่าธรรมขันเนี่ยหนะธรรมะขันหคือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติญานทัศนขันธรรมขันหอันเป็นอสเสขานี้ของพระองค์ก็เจริญหมดเลยแทงตลอดอริยสัตว์แล้วตั้งอยู่ก้าวล่วงตันหาอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ดับไฟกิเลสแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยไม่ต้องไปรอบ ยึดถือเอายอดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยเป็นผู้ซ่องเสพวิมุตต์ดำรงอยู่ด้วยเมตตาถ้าโดยถ้าเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปก็เมตตาด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันบริสุทธิ์อันท่าอรหันนั้นเป็นผู้ที่ถ้าถ้ามีความเป็นสัตว์เป็นอารมณ์นะมีสัตว์ต ะ, ะบัญญยัดเป็นอารมณ์หนึ่งจะมีอยู่ด้วยเมตตาถ้าไม่เมตตาก็กรุณาถ้าไม่กรุณาก็ มุทิตาถ้าไม่มุทิตาก็อุเบกขาท่านมีสัตว์เป็นอารมณ์เหมือนกันแต่เป็นอารมณ์ของพรหมมิหารของท่านเนี่ยนะจะไม่เป็นสัตว์เป็นอารมณ์ด้วยอำนาจของทิฐิไม่ใช่เนี่ยน ะ, ะจิตที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์เลยนะคือพรหมมิหารเนี่ยมีบัญญัติเป็นอารมณ์หมดเลยเห็นไหมเมตาก็มีอะไรบัญญัติเป็นอารมณ์ปิยมนาปสสัตเป็นอารมณ์กรุณามีอะไรเป็นอารมณ์ ทุกิตสัตว์เป็นอารมณ์มุทิตามีสุขิตสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยนะอุเบกามีมัชชะสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยนะมีมีสัตวะบัญญัติเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านมีสัตว์อื่นเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็อยู่ด้วยพรหมวิหารอะนะจะไม่มีกิเลสเลยอะนะไม่ไม่ไม่ดำรงอยู่ด้วยจิตที่เป็นกิเลสแล้วมีสัตว์บรรยัติเป็นอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะถามว่าคําว่าสัตว์เนี่ย หมายถึงอะไรคำว่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์นี่นะนแปลว่าอะไรแปลว่าข้องอ่านะคำว่าสัตว์ก็คือผู้ข้องในรูปข้องในเวทนาข้องในสัญญาข้องในสังขารแล้วก็ข้องในวิญญาณคำว่าสัตว์ก็คือผู้ข้องในขันห้าอ่านะทีนี้ในเมื่อท่านมีสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยนะในสิ่งนั้นอะ่ะท่านก็วิเคราะห์ได้แล้วว่าไอองค์ประกอบที่เรียกว่าสัตว์เนี่ยคืออะไร นะท่านแยกย่อยได้หมดแล้วนะไม่สําคัญผิดแบบปุตุชนทั้งหลายเลยปุตุชนทั้งหลายเนี่ยสำคัญว่าอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่แต่ของท่านเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้อาศัยการประกอบกันขึ้นนะจึงเรียกรวมมาสิ่งนี้เนี่ยนะเช่นเป็นที่อย่างที่เรียกว่านายกนายขอเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นที่ประชุมของผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะประกอบไปด้วย ที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายมีใจมีจิตมีเจตสิกแต่และอย่างเกิดด้วยองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดจากกรรมและผลของกรรมอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล น, นะก็อมองอย่างตลอดสายแต่เขาเรียบรวมรวมว่านายกออย่างเงี้ยท่านไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเลยเพราะท่านวิจัยสิ่งเหล่านี้หมดแล้วแต่ท่านก็มีเมตตากับบุคคลเหล่านี้นะเนี่ยนะถ้าถ้าจะมีโดยความเป็นสัตว์เป็นอารมณ์ก็เป็นเมตตาไปถ้าเห็นเขาตกทุกข์ก็ ก, กรุณาไป นะถ้าเห็นเขาได้ดีก็มุทิตาไปกับเขาถ้าโดยธรรมดาทั่วไปก็มัชตะคือพิจารณาโดยความที่มีกรรมเป็นของตนเป็นต้นเนี่ยนะหรือเป็นอารมณ์ของอุเบกขาของท่านก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าท่านชํานาญในในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็ดํารองอยู่ในความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวเนี่ยนะพระหัต์ไม่มีความเศร้าหมองแม้แต่นิดเดียวเลยน ะ, ะถึงจะมีสับอยู่บ้างว่าท่านทําไม่ดีะนะทุตจริตเนี่ยแปลว่าทําไม่ดีเนี่ยนะ ไม่ได้ทําชั่วนะคำว่าชั่วกับไม่ดีเนี่ยแตกต่างกันนะถ้าถ้าเป็นของปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยใช้คําว่าชั่วได้ดีแต่ว่าผ้ารหันทั้งหลายเนี่ยนะใช้คําว่าทูจริศเนี่ยใช้ได้บ้างเช่นว่าผ้ารหันเนี่ยภาษาริบุตรนี่ ย, ยังมีมโนทูจริศอยู่เรียกว่าคิดไม่ดีอยู่มีอยู่เหมือนกันถามว่าคิดไม่ดีของท่านคือคิดจะไม่สอนใครเนี่ยนะ <c oughs> ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะหลีกเล่นแล้วนะภาษาริบุตรก็เออพระพุทธเจ้าขวนขวายน้อยเราก็ควรขวายน้อยบ้าง นะตรงนี้นแหละที่บอกว่าความคิดไม่ดีของภาษาริบุตรเนี่ยนะบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีนะ น, นี้นนนนแต่พระพุทธเจ้าเนี่แนวความคิดคล้ายๆแบบนี้มีแต่เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะสอนคนเน่ยนะเขาบอกว่าทุกกิริยาถึงคิดยังไงก็ช่างของพระพุทธเจ้านะเป็นวิธีการสอนสัตว์อย่างยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท้งอนุโลมปฏิโลมแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ออกจากนิพพานเสร็จ มาพิจารณาว่าออโลกเนี่ยนะยินดีด้วยอำนาจราคะตัณหามีอะไรเป็นที่มายินดียินดีอยู่แล้วในอะไรเนี่ยนะโอ้ธรรมะที่เราบรรลุ ก, กว่าลึกซึ้งเหลือเกินอหมือนั้นนี่นะถ้าหากว่าไปสอนเขาเขาไม่รู้เนี่ยเราคงเหนื่อยเปล่านะเนี่ยอย่สอนเลยคิดแค่เนี้พรหมไมาราษนาเลยบอกโอ้ลูกชิบหายเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมเหมือนกันพรหมก็เลยลงมาราษนาถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าต้องทําอย่างนี้ก็บอกสมัยนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเคารพพรหมมาก เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอาการเข้าสมาบัติและวิเคราะห์แบบเนี้ยพรมจะต้องมาราธนาอันนั้นเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการสอนสัตว์เนี่ยนะเป็นอุบายของท่านนะไม่ใช่ว่าท่านคิดแต่ตอนนั้นความนึกคิดแบบนั้นจริงแต่ว่าไม่ได้คิดจะให้เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะที่บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนกับเพื่อเพื่อจะช่วยสัตว์พอบรรลุแล้วคิดจะไม่ช่วยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะเช่นะประ น, นามเขาก่อนอย่างเงี้ยไปอย่าอยู่ในสำนักเราเลยไปเราประ น, นามเธอทั้งหลาย ตายกันนะอีกพักหนึ่งเดี๋ยวก็ง่อยกลับมาแล้วก็เทศให้บรรลุได้นะแต่ถ้าไม่ฝึกแบบนี้มางก็ไม่ได้ดีแน่วางั่นแหละนะเพราะฉะนั้นท่านดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะผ้าอารหันต์ทั่วไปบางรูปท่านก็มีพูดไม่ดีอยู่เหมือนกันนะคือเสียงเนี่ยไม่ดีไอส้สูงสูงต่ำๆที่เป็นบัญญัติเนี่ยไม่ดีเช่นว่าพระปิรินทวาชขาเนี่ยบอกว่าคนถอยมาแล้วเลิกคนถอยไปเลิกคนถอยเนี่ยนะ ท่านใช้คําแต่ว่าไอ้จิตเนี่ยจิตที่เป็นสมุธฐานแห่งคําเหล่านั้นน่ะจิตนั้นเป็นจิตประเภทไหนนะจิตประเภทไหนที่เป็นสมุธฐานของนั่นคือมหากิริยาจิตมาแล้วเลิกคนถอยไปแล้วเลิกคนถอยอเสียงเนี่ยคําพูดแบบเนี้ยไม่ดีหรอกแต่จิตท่านเนี่ยบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ได้เป็นอกุศลเลยและอย่างหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะมีกายยัตุจริตอยู่บ้าง ส่วนที่ไม่ดีทางกายเนี่ยนะแตด้วยอํานาจวาสนาก็ช่างเถอะอย่างเช่นภาษาริบุตรเห็นน้ําท่านก็แสดงกิริยาที่เรียกว่ากระโดดเนี่ยนะไปหน่อยหนึ่ง อ, ะอ่ะทางกายอันนั้นก็ดูไม่เรียบร้อยว่า ง, งั้นเด้ออันนี้เป็นความไม่เรียบร้อยแต่จิตที่เป็นสมุทฐานให้กระโดดนั้นเป็นมหากิริยาจิตเนี่ยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถึงจะเป็นแบบนั้นท่านก็ดํารงอยู่ในความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวไม่มีราคะไม่มีบาปอกุศลเข้าไปแทรกเข้าไปเจือแม้แต่นิดเดียวเลย ดำรงอยู่ในความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะแข็งกระด้างนี่แข็งกระด้างด้วยอะไรหนึ่งนะมานะเนี่ยก็ทำให้สัตว์เนี่ยแข็งกระด้างไอ้ความแข็งกระด้างแบบนี้ของพระอรหันต์ไม่มีตันหาเป็นเหตุให้สัตว์แข็งกระด้างแข็งกระด้างแบบนี้ก็ไม่มีนะท่านไม่แข็งกระด้างด้วยอำนาจทิฏฐิทิฏฐิก็ไม่มีงั้นพระอรหันต์ก็โอนอ่อน่อตามไปหมดเลยใช่ไหม อ่ะเป็นไงคุณเวลาวัน<ม>บอกไม่ใช่อกีกอา<ม>้าวเขท่านไม่กระด้างอ่ะใครจูงไปไหนก็จูงไปหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคือไอ้กิเลสตัณหามาณนะทิฏฐิเป็นต้นที่เป็นเหตุให้แข็งกระด้างของท่านน่ะไม่มีแล้วแต่ท่านก็จะรู้ว่าอะไรคือสาระไม่ใช่สาระท่านเขาตัดทิ้งเอ่อตัดสิ่งที่ไม่เป็นสาระออกไปซิถือเอาแต่สาระอย่างเดียวเนี่ยนะ การมคุณทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระท่านไม่ฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงเลยท่านฝักใฝ่ในอะไรสาระจริงๆอะ่ะคือพระนะิพพานนะแต่ถ้าบุคคลทั่วๆไปสิ่งที่เป็นสาระก็คือกุศลกรรมบทเนีย่ยนะหรือศีลทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสาระก็สแสวงหาสาระแต่พระอรหันต์เนี่ยหาสาระอันนี้จนถึงเข้าถึงแก่นแท้คืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะซึ่งเป็นสุดยอดของ สาระก็เข้าถึงสาระอยู่แล้วเพราะท่านไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นๆเป็นสาระแต่ก็ไม่กระด้างด้วยอำนาจตันหามานะและทิฐิเลยเพราะว่าเป็นผู้หลุดพน้นแล้วก็ตั้งอยู่เพราะเป็นผู้สันโดดเนี่ยนะท่านท่านสันโดดหมดเลยนะสันโดดในสันโดดนี่มีสามอย่างนะหนึ่งสันโดดในการสแสวงหาอันนี้พูดถึงส่วนของปัจจัย4ี่นะ ปัจจัยสเนี่ยท่านสันโดษในการแสวงหาสองสันโดษในการรับนั่นนะรับสเอ่อขออภัยสามสันโดษในการบริโภคนั่นนะท่านสันโดษสามอย่างเลยหรืออีกในหนึ่งก็คือสันโดษตามมีตามได้อ่าที่จริงคำเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้คำว่ามักน้อยนะมักน้อยในการแสวงหาเป็นต้นอีกเมื่อกี้ที่บอกว่าสันโดษคือยะถาลาภระสันโดษสันโดษตามมีตามได้สันโดษตาม กำลังแล้วก็สันโดษตามสมควรเนี่ยนะยะถาลาผ้าสันโดษยะถาพภะสันโดษยะถาสารุ ป, ปะสันโดษเนี่ยนะท่านท่านสันโดษในปัจจัยสี่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยสันโดษสามประการเหล่านี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในส่สวนสุดรอบแห่งขันท่านอยู่ในที่สุดแห่งขันอย่านะเป็นขันทวิมุติเนี่ยนะผลขันเหมือนที่สุดแห่งขันก็คือนิพพานนะนะที่สุดแห่ง ธาตุที่สุดแห่งอายตนะส่วนสุดของคติส่วนสุดของอุบัติคือปฏิสนธินี่นะส่วนสุดของปฏิสนธิส่วนสุดแห่งภพส่วนสุดแห่งสังสาระแล้วก็ส่วนสุดแห่งวัตตะท่านถึงที่สุดแล้วตั้งอยู่ในภพอันมีในที่สุดตั้งอยู่ในสริระอันมีในที่สุดเนี่ยนะสริระของท่านเนี่ยมีในที่สุด ส่งไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเนี่ยนะสมจริงดังที่ท่านประพันธ์ว่าพระขีณาศพนั้นมีพบนี้เป็นที่สิ้นสุดเป็นที่สุดมีสรีระนี้เป็นทีหลังเรียกว่าร่างกายอันสุดท้ายมิได้มีชาติมรณะสังสาระและพบใหม่เลยไม่มีอีกเลยดัยงไม่ต้องตอนเป็นภารหันหรอกนะถ้าโดยเฉพาะเจ้าชายสิทธัตถะคลอดมาวันแรกพูดคานี้เลย ก็บอกว่าเรานี้เป็นผู้เลิศที่สุดในโลกว่า ง, งั้นนะเรานี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกว่า ง, งั้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายกาบัตรนี้การเกิดในภพใหม่ของท่านต่อไปไม่มีท่านพูดตั้งแต่เล็กๆเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่คลอดวันแรกนะเปล่งคํานี้ทันทีเลย น, นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติตามนั้นจริงๆ น, นะเพราะว่า เพราะฉะนั้นคนที่จะไปหารูปประกายนามกายของท่านไปหาที่ใดที่หนึ่งหาไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลเหมือนบุคคลวิดน้าในเรือแล้วถึงฝั่งฉะนั้นเนี่ยนะขันธารหันนี่เป็นผู้ที่วิดน้าในเรือแล้วแล้วก็ถึงฝั่งหมดเลยเนี่ยนะเป็นท่ารหารันเนี่ยนะวิดน้าในเรื อ, รอครั้งที่แล้วนี้เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่นะเป็นท่ารหันเพราะว่าละบาปรธรรม อันควรละเว้นได้เด็ดขาดเนี่ยนะว่าพระองค์เนี่ยละบาปประทำละบาปละอกุศลได้ได้หมดเลยถ้าจะเข้าใจสูตรนี้ได้ดีอีกในหนึ่งเนี่นะจะเอาข้อความในอาหุสูตรในคุถการนิกายอุทานเนี่ยนะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นละบาปละอกุศลแล้วก็เข้าถึงกุศลธรรมอย่างสูงเนี่ยนะข้อความในอาหุสูตร คุตักกาณิกายคอมภิวเตอร์ในข้อ135กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตาวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งทรงพิจารณาอากุศลบาประธรรมเป็นอันมากที่พระองค์ทรงละได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความบริบูรณ์ก็คือพิจารณาเลย เท่ากับพิจารณาสัจจะเท่าไร่พิจานาสัจจะสองคือหนึ่งสมุทัยสัตเนี่ยนะคือพิจารณาบาปอกุศลที่ละไปหมดแล้วก็คือพิจารณาสมุทัยสัจแล้วก็กุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ์คือพิจารณามัคคสัจลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอากุศลบาปประธรรมเป็นอันมากที่พระองค์ทรงละได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ์จึงทรงแปลงอุทาม น, นี้ในเวลานั้นว่าสิ่งทั้งปวงได้มีแล้วในการก่อนคือกิเลสทั้งหลายสมุทัยศาสต ร, ร์ทั้งหลายที่เคยมีในการก่อนไม่มีแล้วในการนั้นนะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วไอ้กิเลสแบบนั้นนะสิ่งทั้งปวงไม่มีแล้วในการก่อนคือกุศลธรรมทั้งหลายในครั้งก่อนโน้นอะ่ะไม่มีเลยได้มีแล้วในการนั้น อนะตอนนี้กุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นหมดแล้วไม่มีแล้วจักไม่มีคือตอนนี้ก็ไม่มีเขาบอกว่ากุศลธรรมมัคค ก, กุศลทั้งหลายเนี่ยนะตอนนี้ตอนที่พงพิจารณาก็ไม่มีต่อไปอีกกุศลนั้นก็จักไม่มีถามว่าทำไมไม่มีเพราะเป็นกิริยาไปหมดแล้วเนี่ยนะอริยมรรคเป็นต้นไม่เกิดแล้วแล้วก็ย่อมไม่มีในบัดนี้มัคค ก, กุศลไม่เกิดเลยในขณะนั้นเนี่ยนะ กุศลธรรมไม่เกิดนะในจิตของภารทหารเนี่ยไม่เป็นกุศลเพราะอะไรเพราะเป็นกิริยาแล้วเนี่ยนะออพูดถึงในอัตกถาอธิบายว่าบทว่าอ an e ak ah ัตโนอเนเกปาปเกอากุสเลธรรมเมปะฮิเนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณากิเลสพันห้าอันเป็นไปตลอดการหาประมาณเบื้องต้นม่ได้ในสันดานของพระองค์ คล้ายๆกับว่าทบทวนกิเลสที่เคยมีในวัตตะนะกิเลสที่เคยมีในวัตตะที่เคยเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะราคะทั้งหลายก็มาพิจารณาว่าอ๋อนะโลภะที่เคยมีในอดีตทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่ไม่ได้เจริญอริยมรรคเนี่ยนะนะหรือว่าโทสะโมหะนันะนะวิปริตมานสิการการสายใจโดยวิปริตเนี่ยน ะ, นะะการสายใจโดยวิปริตสายใจว่างไง นะของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขของที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาแล้วก็ของที่ไม่งามว่างามนี่เขาเรียกว่าวิปริตมนสิการการสายใจโดยวิปริตว่างั้นเลยวิปริตก็คือไม่เป็นความจริงอะนะแปลว่าเพี้ยนก็ได้เนี่ยนะมันตรงกันข้ามกับเป็นจริงอะฮิริกะเนี่ยนะอะฮิริกะก็คือไม่ละอายต่อบาปอากุศลธรรมทั้งหลายอโนตปะ นะหรือมีโกธะความโกรธอุปนาหะผูกโกรธมัคขะลบลูคุณคนอื่นเนี่ยนะประลาสะการตีเสมออิสาคือการริษยาเนี่ยนะมัชย์ริยความตนีมายาคือความหลอกลว ง, ว ง, งนสาไถเนี่ยนะคือความโอ้อวดทรรมพระหัวดื้อสารรัมพระแข็งดีมานะเนี่ยนะมานะก็เย่อหยิ่งอติมานะก็ยิงขนาดดูหมิ่นคนอื่นนะน มาทะก็คือความเมาด้วยชาติด้วยโคตด้วยตระกูลด้วยวันนะด้วยผิวพันธุ์ด้วยความเป็นหัวหน้าความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้นเรียกความเมาประมาทาก็คือการประมาทปล่อยใจในการมคุณทั้งห้าเนี่ยนะตันหาอาวิชชาเนี่ยนะตันหาก็คือความเพลิดเพลินในอารมณ์อวิชชาก็คือความหลงอ่ะนีนะอกุศลมูลสก็คือโลภะโทสะแล้วก็โมหะทุจริตสามก็ละหมดแล้วเนี่ยนะทั้ง กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เคยมีในอดีตนะหรือว่าสังกิเลศสามสังกิเลตเนี่ยนะแปลว่าเครื่องเศร้าหมองสอย่างเนี่ยนะสังกิเลสคือตันหาสังกิเลศคือทุจริตสังกิเลสคือทิฐินะแล้วก็มนทินสมนทินคือราคะเครื่องเศร้าหมองนะเครื่องเศร้าหมองคือราคะเครื่องเศร้าหมองคือโทสะเครื่องเศร้าหมองคือโมหะ วิสมะสัญญาเนี่ยนะวิสมะสัญญาสัญญาที่ไม่สมำเสมอก็เช่นกามสัญญาพยาปาทาสัญญาวิหิงสาสัญญาเนี่ยนะวิสมะสัญญาก็คือสัญญาที่ไม่สมำเสมอวิตกสามวิตกสามคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะปะปัญจะสามธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าสามอย่างคือตัณหามานะและก็ทิฏฐินะวิปราช วิปลาสีก็คือไม่งามว่างามไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาคือเรียกว่าวิปปลา่าคือคลาดเคลื่อนนั่นเองอ น, นะวิปริตมนติการกับวิปปลา่ามันอันเดียวกันอ่า น, นะอาสะวะสีอาสะวะสีก็คือกามาสะวะพวสะวะทิาสะวะแล้วก็อวิชชาสะวะโยค่าส น, นะห่วงน้ํอ่า น, นะก็4อย่างเหมือนกันโยค่าสี่ก็เหมือนกันคันทะคันทะนี่แปลว่าวเครื่องร้อยรัดเอาไว้ในวัตตะ อันนอนภิชาการยคันธะพยาปาทการยคันธะอนนศีลพัตะปรามาสการยคันธะเนี่ยนะอีทางสัจจาพินิเวสกายคันธะอันนี้เครื่องร้อยรัตเอาไว้ในวัตตะหรืออคติสี่อย่างนั่นนะอคตินี้แปลว่าอ่าไม่เป็นเครื่องที่พระอริยะท่านดําเนินเหมือนกันพระอริยะท่านจะไม่ดําเนินด้วยอคติสี่ประการนี้คืออนะั ชันทาคติโทสาคติโมหาคติและก็พยาคติพระอรหันต์ท่านจะไม่นาเนินไปตามนี้แปลเป็นไทยว่าลําเอียงอ่ะนะแล้วก็ตันหูปาทานสี่ตันหูปาทานสี่หมายถึงว่าตันหาบวก อ, อุปาทานเนี่ยนะตันหาถ้าจะเกิดถ้าจะเกิดเกิดที่ไหนกขาบอกว่าตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในเครื่องนุ่งห่มทั้งหลาย อันนะั้นเรียกว่าจีวรนะตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในจีวรตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในอาหารทั้งหลายตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดใน <c oughs> ที่อยู่อาศัยตันหาจะเกิดก็หยุกยาทั้งหลายเนี่ยนะอันนะั้ที่เกิดที่เกิดของตันหานะคือ4อย่างนี้หรือว่าเจโตขีละตะปูตรึงใจ5ประการอันนะั้ตะปูตรึงใจ5ประการคือ1สงสัยในพระพุทธสงสัสงสยในพระธรรมสงสัยในพระสง์สงสัยในศิขามีจิต แข็งกระด้างโกรธเคืองในเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยนะแล้วก็เจเจโตวินิพันธนะเครื่องผูกพันใจห้าประการคือติดใจในกามเหมือนันเถื่ยังมีความกำหนัดในกามความกำหนัดในกายความกำหนัดในรูปเนี่ยนะแล้วก็หาความสุขจากการนอนการหลับเหมือนันแล้วก็อีกอันนึงก็คือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปราถนาะเทพนิกายนี่เเรียกว่าเจโตวินิพันธนะเครื่องผูกพันจิต แล้วก็นิวรน์เนี่ยนะนิวร์ก็เครื่องกั้นเครื่องห้ามกุสุรธรรมทั้งหลายนิวร์หาอนนัอนอภิเนมธนะหอภิเนมธนะนี่เป็นชื่อของความเพลิดเพลินห้าอย่างเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิน่นในรสแล้วก็ในโภภพธพภะเนี่ยนะแล้วก็วิวาทมูล6เนี่ยนะว่าอาดีตเนี่ยพระองค์ก็เคยทําหมือนกันเถอกิเลสทั้งหลายเราเนี่นะก็พิจารณามันหมดไปแล้วนะสิ่งเราเนี่ยเคยมีในอดีตเนี่ยนะวิวาทมูล6เนี่ยนะทะเลาะกันก็เพราะอะไร ความโกรธเนี่ยนะทะเลาะกันก็เพราะความโกรธมูลแห่งการทะเลาะวิวานหนึ่งโทสะสองมักกะก็คือลบหลู่คุณคนอื่นสริฤยาสสาไทยเนี่ยนะสาไทยนั้นก็คือเป็นชื่อของการโอ้อวดเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันก็อาศัยการโอ้อวดหรือว่าทะเลาะกาันก็เพราะปาปิชตาคือความปรารถนาลามกเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าสันทิฐิปรามาสะ การยึดถือเอาแต่ความเห็นของตัวอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการทะเลวิวาดเหมือนกันเราวิวาทมูล66อย่างนี่แหละเป็นเหตุให้ทะเละวิวาทกันแล้วก็ตันหากายยะหกตันหากายนี่แปลว่ากองแห่งตันหา6คือตันหาที่เป็นไปในรูปก็เป็นกองเลยนะกองที่นะมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวใช่ไหมมันเกิดบ่อยเตยตันหาแปลว่ากองแห่งตันหาที่เป็นไปในรูปกองตันหาที่เป็นไปในเสียงในกลิ่นในรสในโพลัทพะและในธรรมรม์ ตันหากายหกกายตัวนี้แปลว่ากองแล้วก็อนุสัยเจ็ด น, นะอนุสัยเจ็ดนี้แปลว่ากิเลสที่มีกำลังเพราะอาธาวรมละยังไม่ได้เนี่ยนะอนุสัยอนุสัยเจ็ดก็คือหนึ่งการมาราคาอนุสัยสองนะปฏิคานุสัยสามมานานุสัยพระวาราคาอนุสัย วิจิกิจชานุสัยอวิชานุสัยนะการกามราคานุกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยวิจิกิจชานุสัยภาวะราคานุสัยเนี่ยนะก็ค um ือภาวะคือภวะราคานุสัยน um? ี่มีมีในในอยู่ในอนุสัยเจ็ดอยู่แล้ว ต่อไปก็มิฉตะแปดเนี่ยนะมิฉตะก็คือความผิดแปประการก็คือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเนี่ยนะแล้วก็มีตันหามูละก้าเนี่ยนะตันหาเป็นมูลเก้าที่เคยมีนะก็คืออาศัยตันหาทําให้เกิดการแสวงหาพอแสวงหาก็ได้ลาบพอมีการได้ลาบก็ มาวินิจฉัยดูอันไหนดีนะไปเที่ยวส่อาหามาเยอะๆก็คัดดูอันไหนเจ๋อนะัพอวินิจฉัยก็เกิดชั้นธราคะอันเนี้ยติดใจในอันใดอันหนึ่งที่เลือกไว้แล้วนะก็เลยถือมั่นนะมีอุปาทานยึดถือพอถือมั่นก็ห่วงแหนั่นนะใครต้องไม่เอานี้ของเราอย่างเดียวอนะเสร็จแล้วพอห่วงแหนแล้วก็ตนันหนีใช่ไหมไม่อยากให้ไปเป็นสาธารณะกับคนอื่นแต่ทีนี้พอตันหนีแล้วทําไงรักษาไว้นะเกิดอารักขาก็ต้องหาอัมบุษมาถือไว้อย<ม>่านะั หาหมีดหาไม้หาอะไรถ้าใครมาก็ทะเลาะแก่งแย่งกันนะกัเนี่ยตันหาเป็นมูลเนี่ยนะตันหาทําให้เกิดการสแสวงหาเป็นต้นหรือแม้กระทั่งอากุศลกรรมมาบทสิบนี่นะที่เคยมีในก่อนหรือว่าทิฏฐิหกสองนะที่เคยมีในก่อนเนี่ยนะพูดถึงสิทธิทิฏฐิหกเนี่ยนะแบ่งออกเป็นกี่อย่างนะทิฏฐิหกเนี่ยถ้าเราจําเป็นกลุ่มก็จําไม่ยากนักนะนะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือปุพันตะทิฏฐิกับ อัปารันตะทิฐิเนี่ยนะทิฐิที่เป็นไปในอดีตกับทิฏฐิที่เป็นไปในอนาคตทิฏฐิในอดีตมี K, Asian, I, Nas man, tim, ье, 18ปเดี๋ยนะปุพันตะกับิกะทิฏฐิม okay. ี18ปเนี่ยนะอัปรันตะปุพกับิกะทิฏฐิก็มี44่ใน18นั้นก็แบ่งออกเป็นอะไรสัสตะทิฐิสี่เนี่ยนะเอกจาศัสตะทิฏฐิสอมราวิเขปะ4เนี่ยนะ อันนอันตานันติกะทิ่ฐิ4แล้วก็อธิจะสมุปปณะทิฏฐิอีกสองเนี่ยนะเป็น18 น, นะส่วนอัปรันติกะทิฐิเนี่ยนะทิฐิที่ทจะมีในอนาคตก็44ได้แก่เนี่ย น, นะสันยีวาทะ18เนี่ย น, นะอนสันยีวาทะเนวสันยีนาสันยีวาทะอีก8อุนนะอะไรอีกอุเฉททิฐิ7เนี่ย น, นะทิฏฐธรรมนิพานอีก 5นก็เป็น44นี้ต่อไปตันหาวิปริต108นตันหาวิปริตตันหาวิจิตเนี่ยนะเป็นไป108ยแปอยแปก็คือตันหา3ามเหอใช่ไหมกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตัหาสามตันหา3มคูณอารมณ์หนเกือได้6กเป็นเท่าไหร่18บแปดสิเนี่นะเราก็สิบแปดคนอื่นก็สิบแปดเท่าไหร่ 36ในอดีตส8ดอนาคตอีก18ตอนนี้อีกเอาขอไปสสิหมภายในกับภายนอกเป็นจากของสมมตินะของมาส8ของผู้การสบดอย่างเงี้ยนะสิบปดก็รวมกันเป็นเ2อเอาใหม่ก่อนสาบกเบส2ทีนี้ไม่ใช่เอาใหม่นะเอาใหม่ก่อนนะตัณหาสคูณอารมณ์6 1สิบดนะของตัวเองเนี่ยสิละผู้การอีก18บเป็น 36นะทั้งคู่เลยนะเคยมีในะอดีตอีกส6สบกแบบนี้สาอนาคตอีกส6ปัจจุบันนี้ก็ส6สกเนี่ยนะสกูณสามเท่ากับร้ยปดเนี่ยนะมันวิปริตย่า ง, งีงนระ้อยแปดเลยไงนะตัณหาเป็นต้นเหล่านี้ก็ดีเนี่ยนะธรรมะอันชั่วช้าลามมกเป็นอเนกนะอากุศลธรรมทั้งหลายทุจริตทั้งหลายที่ชื่อว่าเป็นอากุศลเพราะอัตถาว่าเกิดแต่ความเป็นผู้ไม่ฉลาดที่เกิดร่วมกับกิเลส พันห้านั้นก็ดีที่พระองค์ทรงละแล้วคือตัดขาดแล้วด้วยอริยมรณนะควงแห่งโพนะโรพพฤกนั่นเองพร้อมทั้งวาสนาพระองค์นั่งพิจารณาตามลำดับบทว่ากิเลสแม่นี้เราละได้แล้วกิเลสแม่นี้เราละได้แล้วเนี่ยนะพระองค์ไข่ครวนทั้งหมดเลยนะว่ากิเลสแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยพระองค์ละได้แล้วแต่ถ้าเราจะย้อนไปพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าหรือ ตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่นะเคยมีกิเลสนะหวังกันเถอะเคยทําบาปอาคุโสลธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกิเลสเหล่านั้นมาให้ผลตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงถูกด่าทําไมพระพุทธเจ้าช้างจะมาชนทําไมเขาวางแผนมาฆ่าพระพุทธเจ้าทําไมมีคนมาหาเรื่องพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะทบทวนหน่อยนะว่า พูดถึงว่าสมัยหนึ่งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเล่าถึงกรรมที่พระองค์เคยทํา น, นะกรรมทั้งหลายเราเนี่ยที่ทํามาก็แสดงว่ากิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ทํากรรม嘛 น, นะพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลกแวดล้อมด้วยพิสุสงหมูใหญ่ประทับนั่งอยู่ที่พื้นศิลาอันน่ารื่นรมรุ่งโรจน์ไปด้วยรัตนะต่างๆในละแวกป่าอันตลบด้วยกลิ่นหอมนาน า, นาชนิดใกล้สานโนดทรงพยากลบุรพรกรรมของพระองค์ในที่นั้นว่า นั้นเรากรรมเก่าของพระ อ, องค์ น, นะบุราพาเนี่ยแปลว่าของเก่านะกรรมเก่าดูกวามพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทําแล้วอย่า น, นัว่าพระ อ, องค์เคยทําว่าเราเห็นพิกษุผู้มีปกติอยู่ป่ารูปหนึ่งได้ถวายผ้าเก่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นผลแห่งกรรมคือการถวายผ้าเก่าอํานวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้าอนะ เคยถวายภาพเก่าแรกเริ่มเลยนะที่ปรารธนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายภาพเก่าและตั้งความปรารธนาอ่นนะไอความปรารธนาอันนั้นก็สําเร็จจริงใช่ไหมทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าถวายภากเก่าอันเดียวเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกอ่นนะแต่ว่าอันนั้นแหละจุดเริ่มต้นอั่งนั้นเนอะในการก่อนเราเป็นนายโคบานต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกําลังดื่มน้ําขุ่นจึงห้ามมัน นะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้เราก็หายน้ําก็ไม่ได้น้ําดื่มตามความปรารถนาน ะ, ะก็หายน้ําอันนี้ก็คือตอนวัวไปเห็นน้ําขุน่นเอออย่าเพิ่งดื่มเลยไปดื่มน้ำใสข้างหน้านะไอเวลาตอนจริงๆเนี่ยจะไปนึกว่าไม่แท้ไม่ใช่เอ๊่น่าจะเป็นกรุณาใช่ไหมจริงแล้วไม่เป็นหรอกถ้าใครเคยเลี้ยงวัวเนี่ยจะรู้ดืมโทสะไม่อยากให้มันกินอ่ะมันไปกินได้ยังไงก็ต้องตัดปฏิการไปก็ทําด้วยโทสะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับห้ามเขาอ่ะนะโทสะก็เล ย, เ, ลยเป็นอภิสุศล กรหายน้ําก็เลยไม่ได้น้ําดื่มเลย น, นะใช้พผ้าอนนลไปตั้งหลายครั้งนะักกว่าจะได้น้ําดื่มมานะ อ, าอ้อนนลเราก็หายน้นนะําแต่ละผาอนนลบอกน้ํามันขุนพระเจ้าข่าไ ป, <c oughs> ไปเห็นกันน้ําขุ <c oughs> ่นเห็นกันน้ำขุ่นนะนะตั้งหลายรอบบอกระหายไอกระหายจริงๆเลยบางทีนี้ต่อไปนะว่าในชาติก่อนนะเราเป็นนักเลงชื่อว่ามูนาลิเนี่ยนะว่าได้กล่าวตูพระปเจกับพุทธเจ้าชื่อว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้าย ด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานได้เสวยทุกขเวทนาอยู่หลายพันปีด้วยเศษกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้เราจึงได้รับคํากล่าวตู่เพราะนางสุนทรีเป็นเหตุเนี่ยนะก็สมัยก่อ น, นเขาก็เป็นนักเลงเหมือนกันอย่านั้ไปเที่ยวตู่คนอื่นไว่โอ้นี่เสียหายเรื่องผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้นะหาเรื่องเขาไว้เนี่ยบรรดาสุดท้ายก็เลยนางสุนทรีก็เลยมาหาเรื่องบ้าง การกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานอนเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกนานถึงหมื่นปีเนี่ยนะไปกล่าวตู่ไว้นะตกนรกหมื่นปีได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้รับการกล่าวตู่มากหมาเนี่ยนะถูกหาเรื่องมานานเหมือนกันเถิดด้วยเศษกรรมนั้นนางจินจะมานวิกา มากับหมู่คนกล่าวตูเราด้วยคำไอ้มันไม่เป็นจริง น, นะนะก็นางจินจามานะวิการเรียกกล่าวตูเนี่ยนะหนักกว่าคนอื่นเลยนะเอาไม้มาผูกท้องแล้วก็มาปนนามต่อหน้าคนเยอะๆเลยนะก็ดีแต่เทศนั่นแหละเนี่ยจะคลอดอยู่แล้วไม่หาฟืนหาไฟอะไรเงี้ยนะก็มาตำเนีใหญ่ยยเลยนะ เขอบอกดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เรารู้กันสองคนเออใช่แหละใครจะเปรียบคารให้คนอื่นด้วยนะอ้วาว่าไปหนักอีกไอ้พอ ง, งเงียบกัเดี๋ยวร้อนเท้าสก่าอีกกันนะอันนอันนี้ก็เป็นผลของกรรมนะอดีตที่ไปกล่าวตูสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเอาไว้เนี่ยนะกรรมนั้นทําให้ตกนรกนะนี่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปไม่มีใครไปกล่าวตูพระพุทธเจ้านี้นขนาดนี้ยังโดนอ่ะนะอันนี้ก็พูดถึงว่ากิเลสแบบนั้นเนี่ยพองละได้หมดแล้วนี่นะซึ่งต่อไปยังไงก็ไม่ทาบาปแบบนี้อีก เมื่อก่อนเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุตวามหาชนพาการสการะบูชาสอนมนให้มนบ500ผาร้อยคนเป็นอาจารย์ใหญ่นะลูกศิษย์เยอะห้าร้อยเลยสอนอยู่ในป่าใหญ่ก็เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวมีมอภิญญาห้ามีฤทธิ์มากมาในสำนักของเร า, เ, านะเห็นพระทีเ่เห็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีคุณธรรมมากกว่าตัวเองนะทำยังไงจะรักษาชื่อเสียงสการะเกษาลูกศิษย์เอาไว้ต่อไปเนี่ยทำยังไงดีนะ จะไม่ให้ลูกศิษย์ไปเลื่อมสายหรือสีคนนั้นใช่ไหมก็เลยกล่าวตู่หรือสีผู้ไม่ประทุษร้ายโดยบอกกับพวกศิษย์ของเราว่าหรือสีนี้บริโภคกองแบบนั้นนะบริโพกามนั้นเนี่ยแปลว่ามีลูกมีเมียยุรกพวกนเนี้ยครั้นเราบอกพวกมานพก็เห็นด้วยลําดับนั้นมานพทั้งหมดเที่ยวพิษสาไปตามตระกูลพากันบอกแก่มหาชนว่าหรือสีนี้บริโภคกอมเนี่ยนะไปเที่ยวพนธนากันไปอีก นนะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นที่สู่500้าร้อรูปเหล่านี้ได้รับการกล่าวตู่ทั้งหมดเพราะนางสุนทรีเป็นเหตุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่สูเ่เราทั้งหมดเหล่านั้นโดยรับการกล่าวตู่หมดเลยก็บอกว่าคือคือนางสุนทรีเนี่ยนะเขาก็เข้าวัดออกวัดเข้าวัดออกวัดซึ่งเป็นแผนที่เดรธีเขาวางไว้นะตอนหลังก็จ้างคนให้ไปฆ่านางสุนทรีเนี่ยหมกหมกกองดอกไม้อะคือบูชาพระพุทธเจ้านี่เขาจะเอาบูชาดอกไม้เยอะๆเอาดอกไม้ไปกองกองกอง นี่กองก็ดอกไม้จํานวนเยอะอะเสร็จแล้วก็นางสุนทรีนี้เขาก็วางแผนให้ไปวัดทุกวันนะไปทุกวันไปไปกลับไปกลับทุกวันทุกวันทีนี้ก็ได้ระยะพอสมควรแล้วก็ส่งคนไปฆ่าแล้วก็หมกไว้ในกองกองดอกไม้อันนั้นเนี่ยนะทีนี้ในช่วงนั้นมีภิกษุอยู่กับพระพุทธเจ้า500รูปในวัดนั้นเสร็จแล้วตอนหลังพวกเบรธีเนี่ยนะพวกต้นวางแผนนี้เขาก็เลยไป กลับทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่านางสุนทรีปริภาชิกาของเขานี่หายไปเพราะฉะนั้นกขาบอกว่าอ้าวแล้วตอนท้ายสุดสุดนางไปอยู่แถวไหนล่ะก็บอกไปแถววัดนั่นแหละแถวเจตะวันนั่นแหละทีนี้เจ้าปรเสนที่โกศลเขบอกให้ทหารไปซืบดูซิอยู่ตรงไหนก็ไปค้นหายังไงก็ค้นไม่เจอเดียร์ีเขาบอกเขาไปค้นเองก็ไปดึงเอาศพนี่ออกมาจากอกองดอกไม้กองดอกไม้เสร็จก็ยกไปให้พระเจ้าปเสนที่โกศลดูนี่ไงเหมงอนกัน ก็เลยปล่อยข่าวกันใหญ่เลยนะว่าสมสู่เสร็จแล้วก็ยังฆ่าทิ้งอีกกนะเพราะฉะนั้นพวกทั้งหมดเนี่ยนะทั้งพระพุทธเจ้าทั้งสาวกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนมีศีลหรอกเป็นคนหลอกลวงเป็นต้นนะเขาก็เที่ยวดุกพระพิสุห้าร้อยกว่าโดนกันหมดอ่ะนะถูกด่ากันหมดเกลี้ยงเลยนะชาวบ้านเนี่ยด่ากันบินทบาทซ้ายไหนโดนด่ากันหมดเพราะฉะนั้นพิกสุทั้งห้าร้อยรูปก็โดนไงพระพุทธเจ้าก็โดนตอนที่นางสุนทรีตายเนี่ยนะแต่ตอนหลังก็เรื่อง พระเจ้าพระราชาก็ก็ส่งพวกจารบุรุษไปสืบดูจริงๆอ่ะเรื่องเป็นยังไงตอนหลังไอ้พวกนักเลงที่ไปฆ่านางสุนทรีก็ได้เงินไปรับจ้างฆ่ามาแล้วนี่ก็เลยไปดื่มสุราเมากันแหะเถลียคนหนึ่งก็ไปทุบอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาว่าสําคัญนักหรือไงว่า ง, งั้นนางสุนทรีนี่ฆ่ามากับมือว่างั้น <c oughs> <c oughs> คุยกันไปคุยกันมาอ้าวจับได้แล้วอันนั้นแกก็กลับเพราะนั้นพวกนั้นก็เลยต้องมาแก้ข่าวให้พระพุทธเจ้าหมดเลย พระเจ้าประเสนที่โกศลก็สั่งให้พวกเนี้เที่ยวแก้ข่าวนะวังั้นระสมณโคโดมกับพิสุบริสุทธิ์ข้าพระเจ้าผิดเองไง น, นะโภท น, นารอบหมดเลยน น, นแต่ก็ด้วยอันนั้นเศษกรรมเฉยนะทําให้ไปถูกโภท น, นา <c oughs> นนนร์เศษนะโหเสียหายร้ายแรงมาก <c oughs> ทีนี้พูดอีกตอนหนึ่งบอกว่าในการก่อนเราได้ฆ่าพี่น้องชายต่างมารดากันเนี่ยนะฆ่าฆ่าญาติต่างมารดาเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ก็เลยจับโยนลงไปในซอกเขาแล้วเอาหินทุบนะเอาหินถมด้วยวิบากกรรมนั้นพระเทวทัตจึงกลิ้นกลิ้งหินสะเก็ดหินจึงกลิ้งมากระทบนิ้วหัวแม่เท้าของเรานะเขบอกว่าขนาดพระพุทธเจ้านี่จะไม่ตายด้วยการที่ผู้อื่นฆ่าใช่ไหมพระเทวทัตมีกําลังเท่ากับช้างห้าเชือกนี่นะผลักหินเท่าเรือนยอดตกลงไปเนี่ยหินอีกลูกหินอีกลูกหนึ่งตั้งขึ้นมารับแล้วก็ยังมีเศษหินเนี่ยกระแทกมาถูกฝ่าเท้าอ่ะ นะถูกถูกเท้าเนี่ยนะกระแทกถ้าเป็นเนื้อธรรมดานี่คงหลุดไปหมดเลยถ้าเป็นคนอื่นนะนะแต่พระองค์ไม่ไม่หลุดแค่ช้ำเนี่ยนะแต่ว่าเจ็บมากเหมือนกันเขาบอกว่าทำไมจึงมาเจ็บปวดขนาดนั้นอะ่ะก็เนื่องจากนี่แหละไปฆ่าเขาแล้วเอาหินถมไว้อย่างเงี้ยนะอันนี้เศษใช่เฉนะแต่ว่าไอ้กรรมตรงตรงนี่มันทให้ตกนรกไปนานเลยนะอันนี้เศษเศษเฉยในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระประเจกับพรพุทธเจ้าแล้วก็จุดไฟเผา ดักไว้ทั่วหนทาง น, นะเป็นเด็กทงสายเล่นนะมาบินทบาตแลยจุดไฟดักไว้เล ย, เลย <c oughs> กันไม่จะได้ไม่ต้องมาบินทบาตตายนี่ใชเล่นซ น, ซนแบบเด็กกันนะด้วยวิบากกรรมนั้นในพรบหลังสุดนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้ฆ่าคนเพื่อให้ฆ่าเราเหมือนกันในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้สายช้างให้จับพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้มุนีสูงสุดทั้งที่กําลังเที่ยวบินทบาทอยู่ด้วยวิบากกรรมนั้น ช้างนาลาคิรีเนี่ยนะเชือกซับมันดุร้ายวิ่งเล่นเข้าไปในซอกเขาเบื้องหน้าเราผู้ประเสริฐเนี่ยนะเคยสายช้างจะไปให้ชนพระปเจกกับพุทธเจ้ข า, าขณะที่เดินบินธบาตินะนั้นพระองค์ไปบินธบาติช้างเลยมากันวั่งอนะันนั้นด้วยเศษกรรมใช่ใจในการก่อนเราเป็นพระราชาชาตินักรบ น, นะนะแสดงว่าฝีมือมากเลยนะผู้ชนะสิบทิศเลยไปเที่ยวคาทุกทิศเหมนกันนาะ ข้าบุรุษไปเป็นอันมากด้วยหอกเนี่นะเพราะวิบากกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อย่างเหลือทนในนรกเหมือนกันเหลือทนอะ่ะแต่ก็ต้องทนนะด้วยเศษกรรมนั้นบัดนี้ไฟนั้นไม่ผิวหนังที่เท้าของเราทั้งสิน้นเพราะว่ากรรมนั้นยังไม่หมดเนี่นะก็ไอความเจ็บปวดที่ที่เกิดจากที่พระเทวทัตเนี่ยนะทให้เจ็บอยู่หลายวัน เ, นเจ็บจนถึงขนาดว่าเขาหามไปอะ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกหามเนียเจ็บขนาดนั้นะ่ะ ในการก่อนเราเป็นเด็กชาวประมงอยู่ในเกวตัตตะคำเกวัตตะคำก็คือหมู่บ้านชาวประมงทั้งหลายนะเห็นคนฆ่าปลาแล้วก็เกิดความดีใจโอ้เด็ดปลาเยอะนะไปร่วมดีใจกับเขาหนะเคยเห็นเขาหาปลาได้เยอะๆไปดีใจกับเขาแมเยอะจริงๆนะไปชื่นชมกับเขาใหญ่ด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงปวดศีรษะเมื่อครั้งพวกเจ้าไกักยะถูกเบียดเบียนเพราะถูกเจ้าวิถูตะพักข้ออันนะปวดเสียนอย่างมากเลยนะ ไปดีใจกับเขาที่เข้าหาปลาได้เยอะก็บอกว่าเรานี้ได้บริภาศคือด่าพระสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านามว่าพุทสะเนี่ยนะไปด่าไปด่าสาวกของพระพุทธเจ้านะว่าท่านจงเคี้ยวกินแต่ข้าวแดงอย่ากินข้าวสาลีเลยว่ากันด้วยวิบากกรรมนั้นเราอันพรามนิมนต์แล้วอยู่ในเมืองเวรัญชา ในคราวนั้นก็บริโภคข้าวแดงตลอดสมเดือนเนี่ยนะเขบอกว่าอย่าไปกินข้าวสวยข้าวสุกอะไรเหมือนชาวบ้านก็เลยนะั้นไปกินข้าวแดงกันไปนะไปด่าเขาว่าผลนั้นนั้นก็เลยได้กินข้าวแดงกสามเดือนด้วยกันเนี่ยนะก็ขนาดอุยพระราชา เ, เวรัญชพรามณ์นะเขาครองเมืองเขานีมนไปยังลืมเลยนะสามเดือนนี่นึกไม่ได้เลยพรธเจ้ <c oughs> านีนฉันข้าวแดงอยู่สามเดือนด้วยกันพระภิกษุห้าร้อยฉันข้าวแดงกันหมดเลยรูปละเร่งรูปละเร่งนดัก <c oughs> ลืมตั้งสามเดือนอะไรก็มก็มานดนใจเอาไว้อะคือปีนั้นนี่ยอยู่ที่ไหนก็ก็ฉันอย่างนี้แหละจำํำรรษาตรงไหนก็เหมือนกันหมดว่า ง, งั้นเอะก็เด็กรรมเอาไว้นะพองศ์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากเหตุอะไรพงศ์ก็ไม่ว่าอะไรพองศ์ก็เจริญคือคนบางคนผู้เป็นคนพานเนี่ยนะพออกุศลมันให้ผลก็คร่าครวญใช่ไหมแต่พองศ์ไม่ได้ไปค่ําครวญอะไรก็เข้าพระสมาบัตเข้าอะไรไปตามเรื่องมาเอาไป เมื่อนักมวยปล้ำกำลังชกกันเราได้เบียดเบียนบุตรนักมวยปล้ำด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงปวดหลังเนี่ยนะก็เป็นนักมวยปล้ำเนี่ยนะไปหักหลังเข้าไวา้ว嘛โอ้แต่เวลานักมวยปล้ำต่อยกันเนี่ย้มันเหมือนก็จะหักหลังกันทิ้งเงินจริงๆเลยนะเพราะกรรมนั้นก็เลยเวลาเนี่ยพระองก็จะปวดหลังเรื่อยนะเมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคเนี่ยนะได้ให้เศรษฐีบุตรถายยาด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงเป็นโรค ปักขันที่กาพาดเรียกว่าโรคลงแดงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไปถ่ายยาด้วยเจตนาแกล้งอันนั้นไม่ใช่ทำด้วยกรุณานะแกล้งก็เลยบาปเลยกันเนี่ยนะต้องถายออกมาเป็นเลือดเองเลยอะ่ะบอกว่าเราชื่อว่าโชติปาละอันิชาติใกล้ๆหน่อยคื อ, คอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสปะในคราวนั้นว่า อจักมีโพที่มนทนแต่ที่ไหนโพที่ยามท่านได้ยากยิ่งนะนะไปดานะที่ที่เพื่อนเขาไปชวนไปหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ด่าให้เลยก็ว่านะนะโพที่มนทนจะได้แต่ที่ไหนว่างั้นเนาะโพที่ยามท่านได้โดยยากด้วยวิบากกรรมนั้นเราได้กระทากรรมที่ทํายากเป็นอันมากเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่บอกว่าโพที่ยามท่านได้โดยยากพอตัวเองทําอะไรนี่ยากหมดเลยอันนี้ไปว่าคนอื่นก็ไว้นะ ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอยู่หพรนศาเนี่ยปฏิบัติแบบยากๆไปทําให้ทุกขมันยากที่สุดอ่ะเนื่องจากคําที่ไปบอกว่านั่นแหละท่านจะได้โดยยากอ่ะแต่นั้นจึงได้บรรลุพระโพธิญาณแต่เราก็มีได้บรรลุพระโพธิญาณด้วยทางนี้นะที่ไม่ได้บรรลุเพราะไปทําตัวอดๆยากๆยากๆแบบนั้นนะที่บรรลุบรรลุด้วยมักมีองค์แแต่ทําไมต้องไปทํายากๆล่ะเพราะกรรมมันตักเตือนอ่างั้นอ่ะกรรมมันต้องไปให้ไปทําแบบนั้นแหละ เราอันบุรพกรรมตักตื่นแล้วจึงสแสวงหาโดยทางผิดบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วเนี่ยนะเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นดับสนิทหาอาสวะไม่ได้พระชินเจ้าบรรลุพลังแห่งอภินยาทรงพยากรณ์โดยหวังประโยชน์แก่พิสุสงที่สยายชื่อว่าอนโนดาดด้วยประการชนีแ้แหละนะก็พระองค์ก็กล่าวถึงว่า อันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะส่วนหนึ่งที่อากุศลที่พระองค์เคยทำํำไวในอดีตเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยกิเลสทั้งหลายทีนี้เมื่อพระองค์บรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็ใคร่ครวญว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้ทํากรรมแบบนั้นของพระองค์สิ้นแล้วทีนี้ก็ย้อนมาหาพวกเราบ้างว่าไปเห็นอารมณ์นะทำกรรมสามเลยนะหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะถ้าเห็นเฉยๆไม่นึกคิดอะไรต่อไปแค่รับรู้มนโนกรรมะนะถ้าเกิดไปนึกคิดวางแผนถึงก็พูดออกมาเป็นวจีกรรมถ้าไปยกไม้ยกมือเป็นต้นก็เป็น ากายกรรมกรรมสามทีนี้กรรมสามอย่าให้กิเลสมันเบียดเบียนกันแล้วกันเพอถ้ากิเลสมันเกิด น, นะราคาโทสามโมหะที่เป็นสมุทฐานนะล่วงมาทางกายก็เป็นกายทุจริตล่วงมาทางวาจาก็เป็นวาจีทุจริตล่วงมาทางใจก็เป็นมโนทุจริตวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ อุสรธรรมที่เราทั้งหลายได้เจริญแล้วก็ขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าโดยทั่นกันก็ขอให้เจริญด้วยศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปนะ